ผมไปอ่านในเทรรคาถานะครับชื่อว่าอัญญตราเทรีพิกุณีคถ า, าอัญญตราเทรรพิกุณีคาถาพระเทรีองนี้ไม่ทราบชื่อจึงชื่อว่าอัญญตราเทรีปกติมีชื่อนะครับแต่นี้ไม่ปรากฏชื่อ ท่านอุทานไว้น่าสนใจนะเมื่อท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะท่านบอกว่าเราพ้นดีแล้วพ้นดีแล้วเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจากสากสากักทน้ำพริกะนะจากสามีไม่มีหิริจา ก, กรม่มจากหม้อข้าว เราตัดราคะและโทรสาขาแล้วอยู่เรานั้นเข้าไปยังโคนไม้เพ่งชาญโดยความสุขว่าโอความสุขนะคือคำอุทังท่านแปลกเราพ้นแลบจากสักนะจากสามมีไม่มีหิริจากร่มจากหม้อข้าวนะแสดงว่าชีวิต คาราว่านี่ขับแคบจริงๆนะสามีก็ไม่มีเิริถ้าจะขี้เมาหน่อยนะไม่ไม่งั้นก็คงจะไม่ค่อยอยู่ในศีลห้าอาจจะมีอาจจะดุนะไม่ชอบสากเพราะว่าท่านเกิดมานี่ค่อนข้างที่จะอาพับยากจนหน่อยในครอบครัวนะท่านต้องตมข้าวเองนะทุกมือนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ าราที่เบาเลยสมมุติถ้าเราเนี่ยลองที่ลองไปตามข้าวดูสักครกดูเถอะตามข้าวไม่ใช่ง่ายเลยอะตามข้าวกลัวจะได้กินตั้งมือนี่นะฮะโอ้โหในสากมันหนักจังเลยใครไม่เคยอยู่บ้านนอกไม่รู้นะเขามีเรื่องเล่าอะนะมีมีแม่คนหนึ่งอะเขาต้องตามข้าวกินเองอะนะอ่าเพราะว่าไอแถวชนบทแถวนั้นไม่มีโรงสีอะไรเนี่ยก็ต้องตามข้าวเอง นีมนก็มีลูกน้อยอ่ะทีนี้ลูกมันงองแงอ่ะร้องอะไนั่นนะมือข้างหนึ่งก็ดึงเปลไปอีกข้างหนึ่งก็ตำข้าววาั้นพ่อก็เลี้ยงลูกโตกันเพระว่า ง, งั้นคงจะทุกข์ขนาด น, นะนั้น่ะเนาะน่ะคือว่าด้วยคําอุทานนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นมองเห็นทุกข์จากการสแสวงอาหารของสัตว์โลกเนี่ยได้ดีมาก นอกจากจะพ้นจากศากจากสามีแล้วยังจากร่มด้วยเพราะว่าท่านอาชีพทำร่มนะจากหม้อข้าวก็คือผมจะต้องผมูต้มนะแต่อันนึ่งนะผมไม่เข้าใจเลยตรงนี้คือจากงูน้ําแต่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยไม่อยากจะนั่นนะอท่านไม่ได้แบบนะาดเลรแล้วในอันในอัจฉรายะก็ไม่ก็ยังไม่เข้าใจทีเดี เราตัดราคาและโทรศัขาดแล้วเหล่านั้นเข้าไปยังโคลนไม้เพ่งชาญโดยความสุขว่าโอ้ความสุขนะพระภิกษุณีรูปนี้เนี่ยนะฮะแม้จะมาจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะตำข้าวเนี่ยน ะ, ะแต่ก็เป็นต้องเป็นพระภิกษุณีที่เป็นอสีติสาวกเหมือนกันนะฮะก็ได้วิสําเร็จวิชาสามเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเออ ผมมาอ่านเพื่อที่จะอยากจะให้ท่านได้หามาอ่านดูบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ยากเกินไปแล้วก็มีชีวิตที่แปลกประหลาดเยอะแยะเลยนะฮะที่แต่ละองค์ที่จะกว่าจะสําเร็จมาได้นะครับบางองค์นะตั้งแสนกับสร้างบารมีตั้งแสนกับนะครับเจอพระพุทธเจ้าตั้งห้าหพระองค์และแต่ละพระองค์นั้นเนี่ยพระเทรีพระเทระเหล่านั้นเนี่ย ก็ทรงพระไตรปิฎกมาหลายองค์นะแต่ก็ไม่สำเร็จอา้าวดูทีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรู้อะไรมากแค่ไหนแล้วเราแหมจะหวังปฏิบัติทำและสำเร็จในชาตนี่เพราะฉะนั้นก็กต้องทำใจไว้หน่อยนะครับท่านจะมีอะไรเสรมิมไหมครับอ่านเรื่องเทระคถาเทรีกาถาจะเห็นสังฆคุณมากขึ้นเมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยเห็นสังฆคุณเท่าไหร่ ไม่เห็นอา น, นิสงส์ว่าพระสงฆ์ท่านเป็นยังไงที่เป็นอย่างนั้นนี้เพราะเราไม่ไม่ทราบซึ่งในพระธรรมว่าผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีตามพระธรรมคําสอนซึ่งพระธรรมคำสอนเมื่อบุคคลปฏิบัติจนได้อริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็จะให้ผลไม่จํากัดการและเวลาบุคคลทั้งหลายเมื่อเข้าถึงอริยมรรคอริยผลแล้วก็จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง ผู้ที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลนั้นมาจากชาติชั้นหรือมาจากตระกูลใดก็ตามจะเป็นคนตาคนดงก็ตามถ้ามีบุญพอสะสมบารมีมาพอก็สามารถที่จะบรรลุอริยธรรมเหล่านั้นเมื่อบรรลุอริยธรรมบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลก็จะพ้นจากกองทุกข์ได้ว่าพระธรรมคําสอนนั้นเป็นนิยานิกธรรมเมื่อบุคคลปฏิบัติตามแล้วสามารถให้พ้นจากวัตทุกข์ได้ ไม่เกี่ยงว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากที่ใดอันความพิเศษอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าอย่างเช่นภิกษุนั้นท่านจะมาจากตระกูลใดก็ตามตระกูลกริสัตระกูลพรามตระกูลแพ่หรือตระกูลสูตรหรือว่ามาจากจันทานหรือว่ามาจากคนกัมพระอนาถามาแต่ถ้าเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เป็นส ม, มณาสักกาบุตรด้วยกัน เป็นความอัศจรรย์ถ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกําจัดโลภะโทสะโมหะได้สําเร็จท่านเหล่านั้นก็เป็นเนื้อนาบุญเหมือนกันท่านก็เป็นนาบุญของโลกดังั้นการปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นในส่วนตัวเองท่านก็พ้นจากกองทุกข์แล้วท่านก็จะมีประโยชน์กับโลกเมื่อชาวโลกนั้นไปทําบุญกับท่าน บอกว่าในความที่ท่านปฏิบัติดีเหล่านั้นเนี่ยของที่ให้ท่านไปเนี่ยนะแม้แต่จะน้อยก็าตามก็ได้รับผลมากมายมหาศาลอย่างเทวดาที่ทําบุญอย่างอินทกะกับอังกุระเทพบุตรเนี่ยอังกุระเทพบุตรทําบุญเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นหมื่นปีอะ่ะแล้วทําบุญเนี่ยมากมายมหาศาลนะคิดว่าหุงข้าวก็หลายหมื่นหม้องัน้นเทียบกับอินทกะเทพบุตรสายบาทกับพระอนุรุทธะข้างเดียว เนื้อนาต่างกันผลก็เลยแตกต่างกันอนนันอินทกาเทพบุตนั้นด้วยบุญด้วยรัศมีด้วยเดชหลายอย่างเนี่ยเหนืออังกุระเทพบุตบุทั้งหมดเลยนะเพราะความพิเศษแห่งความปฏิบัติ ด, ดีตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า อ, นนอันในอัตกะถาทักคินาวิพังคะูตรกล่าวถึงว่าการให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพลดี มีผลหาประมาณไม่ได้อ่า น, นะคำว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลเนี่ยนับแต่อุบาสกพูดถึงไตรสารณาคมนะเพราะว่าอุบาสกพูดถึงไตรสารณาคมจริงๆนั้นก็คือผู้ที่เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลงนั้นการให้ทานโดยที่สุดแม้แต่อุบาสกเป็นต้นเนี่ยนะพูดถึงไตรสารณาคมเนี่ยมีผลมากมายมห า, าสารหาประมาณไม่ได้อ่านนะถ้าขั้นเหล่านั้นเนี่ยถึงไตรสารณาคม ก็ชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพันธแต่อย่าลืมนะว่าคําว่าถึงไตรสรณคมนี่ไม่ใช่ว่าศัก์แต่กล่าวเฉยเฉยนั่นนะเพราะฉนั้นให้ผลกับอุบาสกยังมีผลให้ผลให้ทานกับสัมมณีนที่ที่อยู่กระร่องกรรอยนะการทำมีผลมากกว่านั้นอีกนะให้พระพิกษุเนี่ยมากกว่านั้นอีกให้พิกษุที่ปฏิบัติ ด, ดีก็มากกว่านั้นอีกนะก็จะมีผลมากๆแตกต่างกาันเพราะความเป็นผู้ที่ถึงไตรสรณคมไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลและ สมัยนี่มีเป็นบางช่วงมีเป็นยุคยุคนั่น น, นั้นการให้ทานกับผู้ที่ปฏิบัติดีตามคําสอนจริงๆนั้นมีผลผลมากมายมหาศาลเราจะเห็นว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านมาชาตินี้ท่านมาเป็นพระอรหันเลยแต่ชาติก่อนนั้นๆมาท่านได้ทําบุญกับพระอริยสมัยก่อน ท่านได้ทําบุญกับพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคแต่ปางก่อนไว้เยอะพอมาชาติหลังๆท่านก็ได้ตรัสรู้ทาำอั้นของเราทั้งหลายถ้าเราทําใจถูกมีโยนิโสมนัสิการะตั้งใจถวายทานปรารภสงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสเสบียงทางของเราแล้วทานอนนั้นถ้าตั้งปรารภเพื่อเพื่อตรัสรู้อริยสัจให้ทานเพื่อตรัสรู้อริยสัจเนี่ย ทานเหล่านี้ก็จะถึงความเป็นฐานบารมีด้วยนะเนื้อนาที่ดีด้วยนะก็คือปรารภสงคําว่าสงนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิสงไม่มีเสียแต่ลูกชาวบ้านที่บวชเข้ามาทําเสียนี่มีอันเราต้องแยกกันนะถ้าคําว่าสงเมื่อไหร่ก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐินั้นผู้ที่จะรับทานเราเนี่ยจะเป็นใครก็ช่างแต่เราก็ปรารภถึงความปฏิบัติดีเป็นต้นผู้ที่ศึกษาคําสอนมาดีนั้นจะปรารภถึงข้อปฏิบัติตามคําสอน ส่วนผู้รับเป็นใครไม่ไม่ไมสำคัญเพราะว่าอารมณ์ของรานจริงๆนั้นน่ะก็คือข้าวของที่เราให้ไปแต่เราให้แล้วปรารบถึงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นั้นในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะของสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วแต่เราปรารพนะถ้าเราฉลาดปรารบฉลาดคิดของอันนั้นก็มีผลมากมีอ น, นิสง์มากนะวัตถุเท่ากันมีศรัทธามากบุญคนที่มีศรัทธามากบุญมากกว่า น, น, นคนที่ฉลาด มีปัญญาประกอบก็ได้บุญมากกว่าคนที่สามารถรักษาใจได้ทั้งสาการก่อนให้ใจก็ผ่องใสกําลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็รักษาใจไว้ได้บุญอันนั้นก็จะมากไปอีกนะถ้าบุญอันนั้นเป็นอาสังขาริกก็จะมีผลมากเมียในสง์มากไปกว่า น, นั้นเองคําว่ามีผลมากเมียในสง์มากหมายคำว่าบุญอันนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อนะประโยชน์เพื่อความสุขทั้งภพนี้และภพต่อๆไปอย่าลืมนะว่าเจตนาที่ให้นั้น ชาวนะดวงที่หนึ่งนะเป็นทิฏฐธรรมเมื่อเป็นทิฏฐธรรมนั้นคนที่มักให้น ะ, ะถ้าเราสังเกตดูนะครอบครัวสองตระกูลเนี่ยอาชีพใกล้เคียงกันมีการทํามาหากินเหมือนกันอีกคนหนึ่งชอบให้อีกคนหนึ่งไม่ชอบให้นะความเป็นอยู่นี่แตกต่างกันนะในสองเนี่ยอย่างชาวบ้านระดับหมู่บ้านเหมือนกันเนี่ยน ะ, ะในระดับหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปเลยนะคนที่ฐานะค่อนข้างดีในระดับหมู่บ้านคนนั้นจะชอบให้นะยินดีที่จะให้ คนถ้ายิ่งตนีเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีของเก่าของบรรพบุรุษมาเยอะแต่นานๆข้าวเดี๋ยวคนอื่นเขาแซงหมดนะฐานะการเป็นอยู่จะเป็นลักษณะนั้นนี่นี่จะจากสังเกตแถวคนแถวหมู่บ้านถ้าคนที่จนจริงๆเลยนะไม่มีข้าวจะกรอกหมอก้อคนพวกนั้นแทบไม่ทาบุญเลยนะพวกคนพวกนั้นจริงๆอะ่ะคิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะแต่คนที่มีฐานะแปลกว่าเออคิดแต่จะใหนะ้ความเป็นอยู่นี่แตกต่างกาันอั้นผลในแค่ชาตินี้ก็แตกต่างกันแล้ว สัมปรายภาพนี้ก็ไม่ต้องกล่าวถึงอเนาะผมสังเกตดูนะแม้แต่ว่าอาจจะในชีวิตของผมเนี่ยนะผมเจอเจ้านายนะที่เป็นระดับสุดยอดสุดยอดนิดโดยมากท่านเป็นคนที่จิตเป็นคนที่ให้อะท่านนะให้มากๆแล้วก็เมตตามากๆเลยนะถ้าดูดูแลเราไม่รู้ใกล้ชิดเราไม่รู้นะแต่เพราะท่านเป็นคนให้ นะเป็นคนเป็นคนกว้างใจกว้างใรใชในในประวัติพระเถระเถรีนี่นะฮะในเถรคาถาเถรีคถานี่นะฮ ะ, ะประวัติของท่านแต่ละองค์นั้นเนี่ยได้เคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนี้หรือพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาทุกองค์เลยนะครับมากน้อยนะน้อยที่สุดก็คือเพียงอาหารทัพพีเดียวก็มีนะครับ แล้วก็น้อยที่สุดก็คือว่าเพียงแต่ว่าถวายดอกไม้เพียงดอกสองดอกอะไรท่างนี้นะฮะเพียงเท่านั้นเองครับทุกองค์เลยนะครับแล้วก็เหตุอันนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นปัจจัยให้ให้ให้ให้ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ให้ไม่ใช่บรรลุมรรคผลครับให้ไปเกิดในสุคติเนี่ยเยอะแยะเลยค่อนข้างบอกว่านับไม่ท่วนเลยใช่เพราะว่าถ้าเราศึกษาพุทธคุณเนี่ยจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพอท่าน จุติจากสวรรค์มาปั๊บเนี่ยหรือท่านประสูตรปั๊บเนี่ยทวยเทพจะดีใจมากว่าเทพนครเนี่ยจะไม่ว่างแล้วเพราะถ้ายุคใดมีพระพุทธศาสนายุคนั้นคนจะทําบุญมาก น, นะเรียกว่าเทพนิกรเนี่ยจะบริบูรณ์เรียกว่านารกจะได้พร่องบ้างเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ายุคไหนที่พระศาสนาหมดไปยุคนั้นเนี่ยอบายเนี่ยบริบูรณ์เ่านั้นแต่ว่าเทวโลกนี่พร่องอ น, นะทวยเทพนี่ก็ก็จะยินดีมาก เพนันการอุบัติเกิดเค้ื่อนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยทำให้คนได้ได้ให้ทานหลากหลายมากนะได้ให้ทานมากเพราะพระพุทธศาสนานั้นถ้าปฏิสถานอยู่ในโลกตราบใดหรือนานเท่าใดก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากอย่างวันนี้ก็นึกถึงประวัติของจันทาพระจันทาพะคือคนที่มีรัศมีออกตรงตร ง, ตร ง, ตรง อ, อ ก, กอ น, นะเขามีมีประเพณีว่าไปบูชาพระเจดีย์ พระเจดีย์คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระอธิธฐานของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านายจันตาภานเนี่ยเป็นพรานชาวบ้านนอกอได้ได้แจกแก่นจันทร์มาเนี่ยทีนี้ความที่ตัวเองเป็นคนบ้านนอกไม่มีศิละปะอะไรสักอย่างเลยก็เอามาทําเป็นผงนะก็เอาเป็นรูปเจดีย์เป็นวงกลมอ่ะเป็นกลมๆก็เลยอธิษฐานว่าไปเกิดที่ไหนขอให้มีรัศมีไอ้แบบที่กลมๆนี้ออกจาก อ, อกวางันเหมือนกับรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ตอ่ะบอกว่าก็ บุญอ น, นันต์เนี่ยก็ทําให้ท่านไปสู่เทวโลกแล้วก็พ้นมาจากเทวโลกในสมัยผู้ทูบาตการก็เกิดเป็นนายจันทาภะก็มีรัศมีออกอกีกพอมีรัศมีอย่างนี้ก็พรามหัวสายคนหนึ่งก็เลยเอาไปประกอบการค้าเลยเพราะว่าใครถ้าใครมาเห็นพรามจันทาภะเนี่ยจะทําให้บริสุทธิ์จะทําให้หมดจดอย่างนี้บอกเที่ยวโฆษณาคนก็ถ้าเงินต่ําก็ไม่ให้ด้วยมีรัศมีออกมา ทีนี้ตอนหลังก็ไปเจอพระผู้มีพระภาคจันทาภารัศมีหายว่างนะใครก็ตามที่มีรัศมีมีอะไรนะถ้าเข้าไปอยู่ในรัศมีแปดสิบศอกจะหมดรัศมีแปดสิบศอกสี่สิบเมตรนะใกล้พระผู้มีพระภาคพวกนั้นจะหมดลัศมีหมดเลยนะนั้นจันทาภาก็บอกโอหพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีรัศมีมากขนาดนี้ยังไม่มีมานะเลยเรานี่มีแต่มารณ์ว่างั้นรัศมามีหน่อยเดียวแต่เราก็มีศรัทธาก็เลยบวชศึกษากรรมฐานแล้วก็เป็นพระ อรหันต์เหมือนกันเพราะฉะเห็นเราจะเห็นว่าแม้แต่ก่อนหน้านั้นอดีตชาติก็เป็นนายพรานเป็นนายพรานผู้ไม่ได้มีศีลมีธรรมอะไรหรอกแต่ก็อาศัยศรัทธาอันนั้นเนี่ยนะซึ่งเอาไปรูปรูปพระเจดีย์เฉยเฉยเนี่ย<ช>เพียงด้วยศรัทธาเนี่ยนะฝีมืออะไรก็ไม่มีแต่อย่าลืมว่าอุปนิสัยอันนั้นนี่ไม่ธรรมดาขอให้เกิดในสุขติก่อนคือมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะ อย่างอื่นเดี๋ยวจะมาเองแหละดังนั้นคนที่สะสมบุญมาเกิดเป็นหมู่เทพเป็นต้นเนี่ยสบายแต่อย่าลืมว่าเอ๊ะทาบุญแค่นั้นทําให้บรรลุมรรคผลได้หรือนะเราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าในช่วงนั้นที่จันทาพระตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เนี่ยในสวรรค์ก็ยังมีการศึกษาพระธรรมอยู่นะเมื่อมีการศึกษาพระธรรมอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งสังสารวัตรของคนไม่มีใครดีถาวอแล้วก็เลวนิรันดร อ, อะไรหรอก อันในช่วงบางช่วงก็มีการศึกษามีการเรียนรู้เหมือนกันอันไม่มีคนที่บาปบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีคนที่มีบุญบริสุทธิ์อีกนั่นแหละขันก็จะต้องมีดีมีชั่วคละเคล้ากันไปแต่ช่วงไหนถึงจะไปเกิดในตระกูลต่ำเป็นต้นก็ไม่ได้ประมาทมัวเมาในในชีวิตเป็นต้นอย่างพระอนุรธธัตถ์เนี่ยชาติสุดท้ายท่านเกิดเป็นกษัตริย์แต่อดีตชาติเนี่ยท่านก็เกิดเป็นคนที่เรียกว่าจนจนถึงระว่าอาหารจะกินยังหายากเลยนะชีวิตของท่านเป็นขนาดนั้นก็มี หรือพระโพ ธ, ธิสัตว์ของเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตชาติของท่านเนี่ยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะเกิดเป็นจันทานชนิดที่ว่าใครเห็นเนี่ยต้องเอาเอาน้ำเนี่ยล้างตาเลยถูกดูกมินเหยียดยามขนาดนั้นอ่ะอันนั้นนางเรียกว่านางทิฏฐามังคลิกาเนี่ยถือการเห็นเป็นมงคลเนี่ยไปเห็นมาตางังคะจันทานเนี่ยนะถึงกับกลับเลยอ่ะไม่เที่ยวละอับประมงคลอย่างยิ่งว่างั้นต้องเอาน้ําเนี่ยมาล้างตา น้ำอย่างดีมาล้างตาถือว่าสวยมากอ่ะที่เห็นว่าโพธิสัตว์เนี่ยซวยมากนะบริวารถึงกับไปทุบไปตีเลยเนี่ยนะอันนี้ก็โทษอย่างหนึ่งของการเกิดนะพระโพธิสัตว์ท่านก็ยังเกิดในตระกูลต่ำและอีกชาตินึงอ่ะในในจิตตสามภูตตาชาดกเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เกิดเป็นลูกจันทานอะ่ะกินกับมา้าอยู่กับม้าเนี่ยนะบางทีก็ถึงกับกินนมหมาก็มีอะ่ะบางชาติเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นลักษณะ น, นั้นทั้งทั้ ง, ท, งที่ในกลับนี้นะ กับสุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดในตระกูลต่ําขนาดนั้นได้เพราะนั้นเราจะได้ประมาทจะได้ดูถูกชีวิตเนี่ยว่าจะไม่ได้ตกต่ำนะหรือว่าจะขึ้นสูงไปตลอดมันก็ตามสมควรกับเจตนานั้นนั้นมันถ้าหากว่าคนที่ฉลาดคิดรักษาเจตนารักษากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมไปตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถ้าสํารวมระวังจริงๆไม่ต้องห่วงอนุภาพของคําสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเนี่ย บุคคลถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีผลแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีก็เพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เราอยู่แล้วฉนั้นขอให้เรามีศรัทธาเถอะนะเขาบอกว่านึกถึงที่พระองค์ตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหมว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ตรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเราตรัสรู้แล้วท่านจงปล่อยศรัทธามาเถอะนะท่านประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสนาของเรา ไม่นานเท่าไหร่ท่านจะตรัสรู้ทําได้นะเพราะว่าพระองค์เนี่ยค้นคว้าสู่สําเร็จเบ็ดเสร็จมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าขอให้มีศรัทธาก่อนเถอะศรัทธาท่านว่าไงเอาไปตามท่านอย่างเดียวกว่นานะจนกว่าเราจะได้ข้อมูลเหตุผลเต็มที่ก่อนทรงพระไตรปิฎกเมื่อไหร่ค่อยไม่เชื่อนะค่อยหมดศรัทธาวางั้นทรงพระไตรปิฎกได้ข้อมูลได้เหตุผลเบ็ดเสร็จหมดแต่ถ้ามีศรัทธาจริงๆพระไตรปิฎกก็ศึกษาไม่ยากนะ ถ้าคนมีศรัทธานะแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยได้ยินคําำอนโมปับก็ง่วงแล้วนะก็จะขึ้นพระขึ้นเทพนี่ก็ง่วงทันทีหลยพอพระตั้งนโมปับเนี่ยหาโอ้ถูก โ, โดนมากท่านอธิษฐานด้วยนะครับโดยเฉพาะพระพระเทเระที่ได้ตําแหน่งเอตกตัคขานี่นะโดยมากท่านปรารถนาตําแหน่งนี้และท่านได้ยินท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นี้ได้แต่งตั้ง พระเถระองค์อื่นๆในเอตตะทะในในรูปต่างๆนี่นะนแล้วก็ผู้นั้นก็เห็นแล้วก็เกิดศรัทธานะอธิษฐานอยากได้อย่างนั้นบ้างเจนพรการอธิษฐานนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นอภินิหารอย่างหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะเพราะว่าคําว่าอภินิหารก็คือมูลปณิธานใช่ไหมปณิธานก็คือการตั้งความปรารถนาการตั้งใจนั่นเองแต่ว่าคนนี่อยู่ๆไหมไปเดินเตะฝุ่นแล้วตั้งความปรารถนามีไหม ไปเดินกําลังไปทําผิดศีลตกเบ็ดหาปูห า, ป, หาปลาและตั้งความปรารถนามีไหมไม่มีหรอกมีแต่เขากําลังทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่สแสดงว่ากุศลรรจิตเกิดขึ้นเขาจึงตั้งความปรารถนาพระโพธิสัตว์นะท่านยังตั้งความปรารถนาเลยเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้านี้มีองค์ประกอบตั้งแปดอย่างใช่ไหมจะเรียกว่าอัฏถธรรมมสมโมทาน8อย่างท่านจึงตั้งความปรารถนาได้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นคนที่ทําบุญเพื่อปรารถนาหมดกิเลสเป็นต้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาต้องให้ทานนะให้ทานแล้วเขาตั้งความปรารถนาน้อมใจไปเพื่อเพื่อบรรุธรรมถามว่าการบรรลุธรรมนี้อะนะการปฏิบัติเพื่อให้บรุธรรมนี่ต้องต้องปรารถนาหรือไม่ปรารถนาะอ่านะถ้าอดีตชาติของเก่ามาเนี่ยต้องมีความปรารถนามาแล้วแต่ถ้าของใหม่ในชาตินี้นะอยู่ที่โยนิโสนะ ถ้ามีโยนิโสและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ต้องปรารถนาก็บรรลุนะถ้าปฏิบัติถูกวิธีหมดเลยนะไม่ต้องตั้งความปรารถนาก็บรรลุ <Bronx> แต่ถ้าไม่ถูกวิธีถึงจะตั้งปรารถนาก็ไม่บรรลุนะอันนี้นีิพระองค์ตรัสไว้เองเลยว่าบุคคลถึงตั้งความปรารถนาเหมือนกับการคั้นน้ำมันงานะถ้าทําถูกวิธีถึงไม่ตั้งความปรารถนาก็ก็บรรลุแต่ก็ต้องถูกวิธีก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าโหไม่ถูกวิธี <ก>ตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งปรารถนายังไงก็ไม่บรรลุท่านบอกว่าฤทดินมที่เขาอะนะฤทธินมโคที่เขาโคเนี่ยอย่างไรก็ไม่บรรลุแน่นอนถึงปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ไม่บรรลุไปบีดน้ํามันงาจากทรายอย่างเงี้ยตั้งปรารถนาหรือไม่ตั้งปรารถนาก็ก็ไม่ได้บรรลุนะก็ไม่สําเร็จผลไม่ได้น้ํามันงาจากทราอยอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่ามีผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนทุกกระบวนทุกกระเบียดนิ้วเลยนะตั้งกะหลับตั้งกะตื่นจนหลับอะ จิตเป็นไปกับคําสอนตลอดเลยถึงไม่ตั้งความปรารถนาท่านก็ต้องตรัสรู้ทำอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ทําอย่างไรเราทั้งหลายจะสามารถปล่อยจิตเป็นไปกับคําสอนศึกษาในศาสนานี้ได้มากใจเป็นไปกับอธิ ศ, รรศรรีลสิสกขาใจเป็นไปกับอธิจิตสเสกขาใจเป็นไปกับอธิปัญญาเิกขาหลายท่านกล่าวว่าโอ้ทําไม่ได้ใช่เพราะไม่มีศรัทธาที่จะทำใครว่าเรายังยินดีในในรูปอารมณ์สักขารม เรียกว่ายังติดใจในสีเสียงกลิ่นรสโภชภาพเป็นต้นเรายังยังต้องการความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอยู่เมื่อต้องการความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอยู่เราก็บอกโอ้ของเหล่านี้เป็นของยาบทําไม่ได้หรอกว่างกันแต่ถ้าหากว่าเราเห็นโทษของกรมคุณทั้งห้าระดับหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะไม่ต้องนึกเลยว่าสมัยแรกๆนะมาอ่านมินัยปิดกบวชมาใหม่ๆเนี่ยโอ้ใครจะทําได้เนี่ย อ่านแล้วโอ้ใครจะไปทําได้ไม่เชื่อนะถึงกับไม่เชื่อเลยนะศ <_ d ata> ึกษาวินัยใหม่ๆเนี่ยไม่อ่านแล้วอย่างมู่สาวาทวักเนี่ยเราเป็นปกติเป็นคนชอบพูดเล่นอ่ะนะชอบเรียกว่าไม่มีระเบียบทางวาจาเลย่นะปุถุชนสมบูรณ์แบบเรียกว่าไม่มีวินัยของพระอริยะเจ้าอั้นคําพูดก็จะพูดเยี่ยงอนารยชนพูดไปโกหกไปคําไปสนุกไป น, นะคําพูดก็มีแต่พวกตะกวดพวกอะไรประเภทเนี่ยค่อนข้างมากใช่ไหมเราก็ใช้ไปพูดไปเพราะว่า ชีวิตสังคมเราเป็นลักษณะนั้นมาส่วนหนึ่งพอมาเจอเออถ้อยคำที่เป็นอริยะเนี่ยนะแอ้ท่านพูดกันได้ยังไงเออพูดดีขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยเออตอนหลังเราก็ศึกษาอยู่ร่วมกับหมู่คณะเป็นต้นเป็นไปได้ใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยเห็นหนังสืออภิธรรมเนี่ยอู้มันกองขนาดนี้ใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้นั่นแหละไปนานๆเข้าเออก็พไตรปิฎกไม่ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะ พรอ่านแต่ละขั้งก็ได้บุญนี่อ่านทิงก็ได้บุญทีอ่านทีก็ได้บุญทีอทญทเออมันก็น่ามีเยอะๆก็ไม่น่าห่วงไงใช่ไหมมีมากโอ้จิตเราคงเป็นกุศลมากนะถ้ามีทักสาม0 0ื่นหน้าอย่างนี้หรือห้0 0 0ื่นหน้าเอหน้าหนึ่งเราอ่าน30นาทีนี่เราก็เฉลีย่ยแล้วถ้าเราอ่านส่งจิตตามนี้เราจะได้กุศลกี่ชั่วโมงนะไหเราก็คํานวณโอ้กุศ ล, ลจิตไม่ใช่เกิดธรรมดานะแต่ถ้ามีสัพพาปั๊บก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะ ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือนิยามเนี่ยเราอ่านวันละเล่มเลยก็ได้เห็นไหมแล้วทําไมจะมาอ่านธรรมะให้มันได้ขนาดนั้นทําไมจะไม่ได้หรือบางทีเนี่ยคนเขาคุยกันเอ๊ะทำไมเขาคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนเอ๊ะแล้วเรามาพูดเป็นธรรมะสนทนาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หรืออย่างไงเงี้ยแล้วก็คลิกมาเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราก็ทําอยู่แล้วนะอย่างหนังสือเนี่ยนะย้นทั้งหลายก็อ่านอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะ หนังสือพิมพนะ์นั้นมาตัดเข้าเล่มเข้าเล่มเข้าเล่มนะั้นน่าจะมากกว่าพระไตรปิฎกอีกที่เราอ่านนะ่ะใช่ไหมแต่พระไตรปิฎกนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่ไม่ไม่ก็อย่างว่าศาสตร์ใดก็ตามที่เราไม่เคยศึกษาศาสตร์นั้นยากที่สุดมีคนไปถามพระเถระองค์หนึ่งว่าหลวงพ่อครับพระไตรปิฎกนี้เล่มไหนอ่านยากที่สุดบอกเล่มที่เราไม่เคยอ่านอ่ายากที่สุดเป น, นอะไระคำพีไหนเรียนยากที่สุดคือคัมภี์ที่เราไม่เคยเรียนนี่ เั้นแต่ถ้าเรามีศรัทธาที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยพอเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีกรุณาต่อสัตว์ที่สุดแหละ เ, ะเพราะนั้นพระองค์นี้ได้แนะนําเราเอาไว้แล้วล่ะเพราะั้นขอให้เรามีศรัทธาเถอะทีนี้ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องทํำยังไงอ่ะก็อ่านบ่อยๆที่อ่านอย่าเลิอกอ่ะใช่ไหมไม่เกินร้อยที่หรอกใช่ไหมก็ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้จะไปทําอะไรเราก็ถามชาวนะเราทํำไมถามความคิดเราว่าความคิดเรามีผลไหม บุญบาปมีไหมถ้าเราไปคิดสิ่งอื่นนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ถามก็ทําให้เรามีศรัทธาที่จะศึกษาได้แต่ถ้าหากว่าอ่านจนเข้าใจนะแม้เวลานี่มันเร็วเหลือเกิน3ามสี่ชั่วโมงทำไมเวลามันเร็วจริงจรนะกับฉันจากเวลานี้ไปเวลานั้นเวลานั้นไปเวลานั้นเวลานั้นไปเวลานั้ น, เ, น, นเร็วจริงๆนะวันคืนนี่เร็วมากเลยอย่างอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ยดูยละอ้าวันนี้จะจะศุกเอกีแล้วเหรอนี่จะเสาร์อีกแล้วเดี๋ยวจะอาทิตย์นะว่นอยู่อย่างเงี้ยท แล้วก็ยังสนงานากับพวกการทนานอยู่เรื่อยว่าอย่างนี้ไม่ตายอยู่ได้เล้วมัเร็วขนาดนี้วันคืนวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปเร็วจริงๆนะความรู้สึกเนี่ยบอกว่าเร็วมากเลยแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปนะเพราะว่าถ้าเราได้ได้มีโอกาสคลุกคลีกับคําสอนเนี่ยนะสบายที่สุดแหละอย่างชีวิตของคนที่ที่จิตใจหมกมุ่นกับบาปอกุศลมานานๆเ น, นี่ยเวลาจิตใจมาคลุกคลีกับคําสอนจะรู้ว่ามันเบาห่างกันเยอะ เหมือนกับคนที่เป็นโรคมาก่อนพอมาได้อยู่ใกลอยู่ใกล้ยากินอยู่กินยาเข้าเนี่ยจะรู้ว่ามันเบาห่างกันมากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันนอนสมอยู่กับกองโรคเลยนะมันป่วยจนถึงก็ว่าเรียกว่าอาการที่มันครวนครางที่เกิดจากป่วยอะนะแต่พอมากินอยู่กินยาเออมันเดินเหินได้เนี่ก็แสดงว่าเบาไปเยอะนะถึงไข้มันถึงยังไม่สางก็ช่างเถอะใช่ไหมแต่ถ้าศึกษาถ้าทําคําสอนก็จะลักษณะเดียวกัน คนที่ป่วยไปด้วยโลภะโทสะโมหะนะถ้าศึกษาคำสอนถูกต้องจะมีความสุขถ้าศึกษาถูกนะแต่ถ้าศึกษาผิดเนี่ยทุกขี่สุดนั่นก น, นั่นแหละอันเราก็พยายามสังเกตใจเราว่าถ้าศึกษาคำสอนแล้วเราไม่สุขนะแสดงว่าผิดพลาดถามตัวเองได้เลยว่าต้องผิดพลาดอย่างแ น, น่นอนนะตรวจสอบได้ว่าผิดพลาดตรงไหนทาไมเราจึงไม่ได้รับความสุข พุทธศ า, า, าสนาสอนเรื่องทุกข์แต่มหากรุสที่สอนให้เจริญนั้นไม่มีความทุกข์เกิดร่วมอยู่ในนั้นเลยถ้าเจริญได้ระดับหนึ่งจะต้องมีความสุขจริงๆนะแต่ถ้าทุกข์นี่แสดงว่าไปตรวจสอบไปตรวจเช็คได้เลยนะว่าผิดพลาดอย่างแน่นอนยางได้ย่างหนึ่งแน่นอนอย้อนมาเมตตาสูตรมานะ ข้อความในหน้าสามร้อยเจ็สิบเอดนะในเมตสูตรเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงกุลบุตรผู้ที่จะเจริญเมตตาแล้วใช่ไหมกุลบุตรที่จะเจริญเมตตาเป็นต้นนั้นจะต้องรักษาจตุปาริสุทีศีลให้ได้อันนี้รถผลที่หนึ่งได้แล้ว น, นะเรียกว่าสุรวิสุทธิท่างกล่าวว่าหรือกุลบุตรใดรู้ว่าศีลบริสุทธิ์ได้เพราะญาณ มีปัญญานะจึงจะรักษาศีลได้เขาบอกว่าเหมือนผ้าสกรปรกย่อมสะอาดได้เพราะอาศัยน้ำสะอาดกระจกเงาผ่องใสได้เพราะอาศัยขี้เท่านะถวาการเช็ดกระจกสมัยก่อนนะไม่มีน้ำยาใช่ไหมก็ต้องเอาขี้เท่ า, เอาอะไรที่มันเป็นด่างเนี่ยมันละาทองจะบริสุทธิ์ได้เพราะหลอมในเบ้าฉะนั้นล้างอยู่ด้วยน้ำคือยานเชื่อว่ายางศีลให้บริสุทธิ์ และเป็นผู้ไม่ประมาทเลยย่อมรักษาศีลขันธ์ของตนนะเรียกว่าเห็นคุณค่าของเจตุ ป, ปริสุทธิ์ศีลทั้งหมดที่กล่าวไว้ให้ดีนะรักษาให้ดีเหมือนนกต้อยตีวิตรักษาไข่นกชนิดนี้รักษาไข่มากแม่เนื้อจามารีรักษาขนหางนางนารีผู้มีบุตรน้อยคนเดียวรักษาบุตรน้อยคนเดียวที่รัก และบุรุษมีในตาข้างเดียวรักษาในตาข้างเดียวฉะนั้นราะว่ า, วาหวงศีลเท่านั้นแหละพิจารณาอยู่ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าโอ้เนี่ยเช็คศีลเนี่ยต้องตลอดเลยนะตรวจสอบตัวเองเลยนะเช้าเย็นเอ๊ะกายกรรมเจีกรรมมโนกรรมมีโทษตรงไหนบ้างตรงไหนหน้าตาหนิหน้าติเตียนถ้าหากว่าไม่ดีต้องเนตถึงจูลราหงโล ว, วาทสูนใช่ ถ้หาหากายกรรมล่วงละเมิดนะแสดงคืนสาวจีกรรมล่วงละเมิดแสดงคืนมโนกรรมเป็นต้นเนี่ยนะบอกคร่องอธิษฐา น, นพระองค์นี่สอนพระราหุล น, นะ ท, ท, ทั้งที่ไม่ใช่พระวินัยบัญญัติก็สอนอยู่ในพระวินัยบัญญัติก็มีวิธีการแนะนำการออกจากทุกโทษแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะพิจารณาอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นย่อมไม่เห็นโทษแม้มีประมาณน้อยกุลบุตรแม้นี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์นฉลาดในประโยชน์ก็คือรัก รักษาศีลได้จนถึงกับว่าตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้มาแล้วนนคนที่รักษากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยว่ายตัวเองได้โดยที่สนิทใจเลยนะเขาเรียกว่าความเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนจะมีตามนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เสแสร้งด้วยนะว่าท่านเป็นอย่างนั้นของท่านจริงๆ น, นะท่านมีความดีจนถึงขนาดที่ว่ามีพระเถระรูปหนึ่งใช่ไหมท่านท่าน นั่งอยู่ในกลางแจ้งในวันพระจันทร์เต็มดวงอ่ะนะพระจันทร์ซึ่งไม่มีหมอกไม่มีเมฆไม่มีอะไรมาปิดบังมีรัศมีสว่างสวัยมากท่านก็ประรเอปว ร, รัศมีคเคำว่าดวงจันทร์วันนี้เนี่ยผ่องใส ย, ยิ่งนะักเสร็จแล้วท่านก็น้อมมาหาตัวเองว่าเอสินของท่านกับพระจันทร์เนี่ยอันไหนดีกว่ากันท่านก็ตรวจสอบบอกว่าพระจันทร์นั้ยังมีรอยตำหนิเลยยังมีรูป ที่มันดูก็ไม่ถึงกับพองใสอะไรแต่ศีลของท่านหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยเนี่ยนะแล้วท่านก็เกิดปีติขึ้นอย่างมีกำลังนะอาศัยปีติอันนั้นก็ทำให้เกิดปัสสัตทีนะ่เกิดสมาธิเกิดยะภาภูตยานัทสนะเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่รักษาศีลได้ดีจริงๆเนี่ยแสดงว่าต้องรู้คำสอนในส่วนอื่นๆศีล น, นี้ป้องกันอะไรนะข้อปฏิบัติที่ทผิดคือสุดโตงใช่ไหมหนึ่ง กามสุขลริการุโยคสองอตากิรมะฐานุโยคแล้วก็ข้อสุดท้ายเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาศีนเนี่ย ป, ป้องกันอะไรในสองตัวนี้อัตากิรมะฐานุโยค ก, กับกามสุขาริการุโยคศีนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกามสุขลริการุโยคสมาธิเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอัตากิรมะฐานุโยกปัญญาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานะ วิสุทธิข้อหนึ่งนะสีลวิสุทธินี้ป้องกันอัตกิระมะัะมสุขาลิการุโยคจิตาวิสุทธิขจัดอัตอัตกิระมัานุโยคนะที่ทวิสุทธิเป็นต้นเป็นมัชชิมาปฏิปทาเนีังนั้นคนที่จะศึกษาคําสอนได้หรือปฏิบัติตามคําสอนนั้นจะต้องเป็นไปตามลักษณะเหล่านั้นนั้นในวิสุทธิมักสีลนิเทศเริ่มต้นเลยท่านท่านแสดงลักษณะนี้เลยนะว่า ศีลกำจัดอะไรสมาธิกำจัดอะไรปัญญากำจัดอะไรนะศีละศีลนิเทศวิสุทธิมักแ ร, รกๆเลยที่ขยายพุทธพจน์ตรงนั้นท่านสงเคราะห์พุทธพจน์เหล่านั้นโดยข้อปฏิบัติต่ตางๆนัยต่างๆโดยวิชาสามเป็นต้นก็หรือกุลบุตรใดดำรงอยู่ในศีลเป็นเครื่องกระทำไม่ให้เดือดร้อนนะศีลเนี่ยถ้ารักษาดีจะไม่เดือดร้อนประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลส ครั้นประคองปฏิปทานั้นแล้วย่อมทํากรสินบริกรรมครั้นทำกระสินบริกรม ร, ก ร, กรมแล้วย่อมยังสมมาบัติทั้งหลายให้เกิดกุลบุตรแม้นี้ชื่อว่าฉลาดในประโยชน์เรื่องสมมาบัติเรื่องกระสินเรื่องอะไรนี้พระ อ, องค์ก็ทรงสอนนะก็กุลบุตรใดออกจากสมมาบัติพิจารณาสังขารทั้งหลายแล้วบรรลุพระรหัสกุลบุตรนี้เป็นเลิศแห่งกุลบุตรผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกว่าสุดยอดคนฉลาดแล้วกันฉลาดถึงที่สุดแล้ว เพราะว่าอารหัตตมรักเนี่ยชลาดที่สุดในคาถานั้นนะคาถาคืออะไรคาถาที่ว่ากุลบุตรผู้ชลาดในประโยชน์ปราถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทเนี่ยนะแรกๆเลยนะนะในคาถานั้นเนี่ยภิกษุเหล่านี้แม้ใดเป็นผู้ชลาดในประโยชน์ที่ภาลนาแลว้วตั้งแต่การดํารงอยู่ในศีลเป็นเครื่องกระทาไม่ให้เดือดร้อน หรือตั้งแต่การประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลสภิกษุเหล่านั้นท่านประสงค์ว่าเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ในอัถานีนะก็คือสามารถที่จะรักษากายวาจาไม่ให้เป็นไปกับบาปอกุศลได้และภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการณิยะมะัตะกุสเลนะยันตังสันตังปังอภิสเมจะเนี่ยนะ ในหนังสือเรื่องทานที่เขาแจกงานปีใหม่นะของผูการต้องใช้อ่ะนะของขวัญปีใหม่อ่ะนะในเล่มนั้นเนี่ยมีนะเคยดูหรือเปล่าคะในเล่มนั้นเนี่ยมีนะทานที่มีผลมากกัอยู่ด้วยมีความสุขนะเล่มนั้นเนี่ทยท้ายๆเล่มเนี่ยจะมีกรณีเมตสูตรทั้งบาลีและไทยด้วยถ้าอยากได้ภาษาบาลีก็ไปท่องเอาตรงนั้น ด้วยเทศนาอันมีบุคคลเดียวเป็นที่ตั้งนะนะเรียกว่าปุคาลาที่ฐานทรงหมายถึงพิสุเหล่านั้นต่อแต่นั้นจึงตรัสว่ายันตังสันตังประดังอภิสมีจะแก่พิสุเหล่านั้นผู้เกิดความสงสัยว่าประโยชน์จะพึงเป็นอย่างไรนะหรือจะทำเนี่ยเป็นอย่างไรอธิบายว่าบทใดอันกุลบุตรผู้ต้องการเพื่อจะอยู่บรรลุบทคือพระนิพานอันสงบด้วยการแทงตลอดนะด้วยปฏิเวทนะทำยังไงจึงจะ เข้าถึงนิพพานโดยปฏิเวทอ่ะควรกระทาอ่ะบทนั้นอันพระพุทธเจ้าและพระอนุพุทธะทั้งหลายภาลนาไว้แล้วนะพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงเรื่องนิพพานไวแล้วงนั้นข้อปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงพระนิพพานเหล่านั้นได้ อันหนึ่งในบทว่าสันตังประดังอภิสเมจะนี้เพื่งทราบอธิบายอย่างนี้ว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์รู้บทนิพพานว่าสงบด้วยโลกิยะปัญญาด้วยอำนาจแห่งการฟังเป็นต้นนะนิพพานไม่ใช่เห็นมาเองหรอกว่าหู้นิพพานเนี่ยดีจริงๆก็คือด้วยปัญญาเนี่ยนะสามารถที่จะคํานวณได้ว่าเออการเป็นไปในสังสารวัตรนี่มันทุกนิพพานเนี่ยสุขหรือได้ฟังมาจากพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคว่า เป็นธรรมะที่ละเอียดสงบปณิ่างกันเป็นผู้ใครเพื่อจะบรรลุบทนิพานนั้นจึงพึงกระทากิจที่คล้อยตามมาิการว่าพึงกระทากระทำยังไงให้มันเหมาะสมอ่ะนะที่เขาบอกว่านิพานนี่เหมือนกับทะเละผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพานเหมือนกับท่อนไม้อ่ะลอยไปในแม่น้าเนี่ยลอยอย่างไรจึงจะท่อนไม้อันนั้นจะลอยไปถึงทะเลได้ดูได้ใน ทารุขันโทรประมาสูตรที่อุปมาว่าด้วยท่อนไม้ลอยน้นนอนะนะพระสูตรนี้ก็มีอยู่ในสังยุตตนิกายก็บอกว่าอันหนึ่งเมื่อตรัสว่าการณียมัทะกุสเลนะจึงตรัสว่ายันตังสันตังปะทางอภิสมีจะแก่ภิกษุทั้งหลายผู้คิดอยู่ว่าอะไรผู้ศึกษาพึงทราบอธิบายบทนั้นว่ากุลบุตรัสโรบทันสงบด้วยโลกิยะปัญญา พึงกระทําประโยชน์ที่ควรกระทํามีอธิบายว่าประโยชน์นั้นควรทําเทียวนะถามว่าก็ประโยชน์นั้นคืออะไรตอบว่านอกจากอุบายเป็นเครื่องบรรลุสรรตบทนั้นจะพึงมีประโยชน์อื่นอะไรเล่านะทำยังไงอ่ะจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงนิพพานนั้นประโยชน์อย่างอื่นนอกจากข้อปฏิบัติอันนี้ไม่มีหรอกก็สรรตบทนั้นได้กล่าวแล้วด้วยบทต้นอันแสดงไขถึงไตรสิกขาใช่ไหม ว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิพพานก็คือไตรสิกขาการศึกษาสามอย่างได้แก่อธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งมีอัดว่าสมควรแก่การกระทำนะท่านก็กล่าวต่อไปว่าแม้ก็จริงถึงกระ น, นั้นข้าพระเจ้ากล่าวแล้วในการพารนาเนื้อความแห่งบทนั้นว่าประโยชน์ควรทาก็มีประโยชน์ไม่ควรทาก็มี ในประโยชน์สองอย่างนั้นย่อไตรสิกขาเป็นประโยชน์ที่ควรทำนะจริงไตรสิกขานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ควรทำแต่เพราะทรงแสดงย่อเกินไปภิกษุเหล่านั้นบางพวกก็รู้บางพวกก็ไม่รู้นะถ้าบอกว่าไตรสิกขาสั้นไปแต่นั้นทรงแสดงประโยชน์ที่ภิกษุอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยจะพึงกระทำโดยพิเศษให้พิสดารเพื่อให้ภิกษุ นะพวกที่ยังไม่รู้ได้รู้ตัดกึ่งระถา น, นี้ก่อนว่าเป็นผู้อาถฐานเป็นผู้ตรงเสื้อตรงว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เยอะยิ่งนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมของผู้ที่จะปฏิบัติตามไตรสิกขาได้ทีนี้ในคำเหล่านั้นนะมีอธิบายอย่างไรบอกว่าคุรบุตรผู้อยู่ป่าเป็นวัดอันนี้ก็บอกว่ายกตัวอย่างผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะ เดี๋ยวว่าเออเราอยู่บ้านไม่ต้องนะแต่ว่าท่านยกตัวอย่างมางั้นเถอะประสงค์จะตรัสรู้สันตบทอยู่หรือตรัสรู้สันตบทนั้นด้วยโลกิยะปัญญาปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นไม่อะไรในกายและชีวิตด้วยการถึงพร้อมด้วยความเพียรองค์ที่สองนะกรณีนั้ว่าองค์แห่งความเพียรนี้มีอยู่5อย่างด้วยกันนะในทีคณิกายปาติกวัตรเนี่ยนะ ในสังคีติสูตรหมวด5ได้กล่าวถึงองค์แห่งความเพียรมีอยู่5อย่างด้วยกันย่อๆก็คือข้อแรกก็มีศรัท ธ, ธาก่อนมีศรัท ธ, ธาในพระตถาคตวอิติีวิโสพระควาเป็นต้นนะนะมีความเข้าใจอย่างนั้นเป็นอย่างดีนี้องค์แห่งพิสูจผู้ทําความเพียรข้อที่หนึ่งนะคือมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเลยข้อ2มีอ า, าพาธน้อยนะแสดงว่าสุขภาพดีข้อสก็เป็นผู้ที่ไม่อ้อวดไม่มีมายา เปิดเผยตัวเองกับเพื่อนสัพพมาจารีตามความเป็นจริงข้อสก็เป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเพราะฉะนั้นท่านก็พูดถึงองค์ที่สองคือสุขภาพดีด้วยนะและองค์ข้อที่4คือปรารบความเพียรพึงอาจเพื่อปฏิบัติในการแทงตลอดสัจจะนะถ้าหากว่าคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะก็องค์ที่สองก็เสียหายไป แล้วก็องค์ที่4ี่คือถ้าไม่ปาราความเพียรก็จะทําอย่างไรจึงจะตรัสรู้สัจจะได้อั น, นึ่งพึงเป็นผู้อาถรรพ์ในกรณียกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายมีกสินบริกรรมและการสมาทานวัดเป็นต้นในกิจทั้งหลายมีการซ่อมแซมบาทและจีวรเป็นต้นในกิจเหล่าอื่นเห็นปานนั้นก็เนระียกนะว่าต้องต้องขยันพอสมควรเนี่ยนะช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบทำเนี่ยนะจะต้องเป็นคนขยันหน่อย เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเป็นผู้สา ม, มารถและแม้จะเป็นผู้อาถรรพ์ก็ต้องเป็นผู้ตรงใช่ตอนแรกตัวดำๆข้างบนบอกว่าเป็นผู้อาถรรพ์เป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เยอะยิ่งไออาถรรพ์กล้าเนี่ยใช้ได้แล้วนะแต่กล้าแบบต้องกล้าแบบคนตรงนะนะด้วยการถึงพร้อมด้วยความเพียรองค์ที่สามนะต้องตรงในลักษณะความเพียรองที่3มก็คือไม่อ้อวดไม่มีมายาวา ง, งั้นเป็นคนที่ตรงจรงิง แม้จะเป็นผู้ตรงก็ต้องไม่ถึงความพอใจด้วยความเป็นผู้ตรงครั้งเดียวพึงเป็นผู้ตรงให้ดีกว่านะซูฮูชูก็คือตรงกว่านั้นอีกดีกว่านั้นอีกด้วยการกระทาไม่ย่อหย่อนบ่อยๆตลอดชีวิตว น, นซื้อนะคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะจะตู ป, ปริสูทธิ์ที่ศีลดีแล้วเสร็จ แ, แล้วเป็นคนที่ไม่เสียดายในชีวิตด้วยนะนะไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตเป็นคนที่สุขภาพดี นะเป็นคนที่ตรงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนกล้าปฏิบัติตามนั้นได้เขาบอกว่าเป็นผู้ซื่อตรงเพราะความเป็นผู้ไม่มีมายาเป็นไม่อ้อวดไม่มีมายานะเป็นผู้ตรงด้วยการละความคดทางกายและความคดทางวาจาเป็นผู้ซื่อตรงด้วยการละความคดทางใจนะนั้นเรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้นะตรวจสอบตัวเองเต็มที่ได้โดยที่ไม่กินแหนงเลยะนะ เรียกว่าหาข้อตำหนิตัวเองไม่ได้เลยต้องปฏิบัติในในลักษณะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้นะบรประชิตเนี่ยจะไม่ค่อยคับแคบเท่าไหร่แต่ก็คุยมานานแล้วยังมีใครบวชสักคนเลยแสงว่าโคตรนา ย, ยังไม่ดีอันนี้หรือเป็นผู้ตรงด้วยการไม่โปรยคุณที่ไม่มีนะ ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวโฆษณาสรรพคุณในคุณธรรมที่ตนไม่มีนะไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นเป็นผู้ซื้อตรงด้วยการไม่รับลาบที่เกิดด้วยนะที่เกิดขึ้นด้วยคุณที่ไม่มีไม่ใช่เขาไปยกย่องสรรเสริญเราเราไม่เด็ดเป็นอย่างนั้นหรอกเสร็จแล้วก็ไปรับสมอ้างเออใช่ใช่คล้ายๆแบบนี้นะไปเขาไปอวดคุณธรรมซึ่งเราไม่เด็ดเป็นอย่างนั้นหรอกเสร็จแล้วรับสมอ้างเลยเพื่อที่จะได้ลาบได้ปัจจัยอันนี้ก็ไม่ดี พึงเป็นผู้ตรงและเป็นผู้ซื่อตรงด้วยอารัมมณูปนิสชานและลักคนูปนิสชานอารัมมณูปนิสชานเป็นชื่อของสมถะลัคนูปนิสชานเป็นชื่อของวิปัสสนาด้วยศิกขาสองข้อข้างต้นสองข้อข้างต้นได้แก่อธิศีละสิกขาและอธิจิตตสิกขาและศิกขาข้อที่สามและด้วยประโยคาสายอันบริสุทธิ์เรียกว่ามีประโยคะ ประโยคน์คือการประกอบอาัยาคืออัธยาศัยว่า ง, งาั้นเพราะฉะนั้นการประกอบต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเทียนและอัธยาศัยต้องบริสุทธิ์สะอาดตําหนิไม่ได้และจะพึงเป็นผู้ตรงและเป็นผู้ซื่อตรงอย่างเดียวหาไม่ได้โอแค่นี้ยังไม่พออีกนะมีเพิ่มอีกอนี่พานนี้บรรลุยากนะนะาะคุณธรรมต้องพอสมควรหน่อยมันใกล้ค่ากับ แค่สมัครงานทั่วไปนี่สอบสัมภาษณ์จนน่ะเนาะกว่าเขาจะรับได้เนี่ยและจะต้องเป็นผู้ว่าง่ายอีกด้วยจริงอยู่บุคคลใดถูกเขาว่ากล่าวว่าท่านเหมืงนกนไม่ควรทำสิ่งนี้ย่อมกล่าวว่าท่านเห็นอะไรฟังอะไรท่านเป็นอะไรของผมจึงว่ากล่าวเป็นอุปชาเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนเห็นหรือเป็นเพื่อนกินหรือ หรือว่าย่อมเบียดเบียนด้วยความเป็นผู้นิ่งหรือรับแล้วไม่ทําตามที่รับบุคคล น, นั้นย่อมเป็นนะย่อมอยู่ในที่ห่างไกลแห่งการบรรลุคุณวิเศษนะ เ, เรียกว่าเป็นคนว่ายากอะนะมีคนอื่นมาแนะนํามาตักเตือนเข้าก็เลยเอ๊มเป็นใครเนี่ยกล้ามาตักเตือนผมได้ยังไงอย่างเงี้ยต้องไม่เป็นคนลักษณะนั้นเลยส่วนบุคคลใดถูกสั่งสอนย่อมกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญท่านกล่าวดีอย่างยิ่ง เชื่อว่าโทษของตนเห็นได้โดยแสนยากนะความผิดของตัวเองนี่เห็นยากจริงๆเลยนะก็บอกว่าโทษของเราเนี่ยทั้งใหญ่เท่าภูเขาก็มองไม่ค่อยเห็นแนหะคนอื่นเนี่ยนี่เดี๋ยวมองเห็นหมดแหละเพราะฉะนั้นท่านเห็นอย่างนั้นแลว้วเพ่งอาศัยความเอ็นดูกล่าวเตือนกระผมไม่อีกกระผมได้รับโอวาสจากสำนักของท่านนาแลว้วดังนี้และปฏิบัติตามที่พร่ำสอนบุคคล น, นั้นเป็นผู้อยู่ในที่ใกล้แห่งการบรรลุคุณวิเศษนะเรียกว่าโอวาสที่ ผู้ที่เป็นวินยูชนนะ่ะนะผู้ที่เป็นวินยูชนเขาใไข้ครวญไตรตรองสิ่งที่เขาตักเตือนนั้นเป็นไปตามธรรมตามวินยัยตามคําสอนจริงๆอัน น, นก็รับโอวาทอันนั้นด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นบุคคลรับคําของคนอื่นแล้วกระทําอย่างนี้พึงเป็นผู้ว่างง่ายและพึงเป็นผู้อ่อนโยนเหมือนเป็นผู้ว่างง่ายนะโมทูนี่แปลว่าอ่อนอ่อนโยนนะ่ะนะ บทว่ามุทุ ค, ความว่ากุลบดถูกเครือหารทั้งหลายใช้ในกิจทั้งหลายมีการไปเป็นทูตและการไปอย่างคนเลวเป็นต้นไม่ทําความอ่อนแอในกิจนั้นต้องเป็นผู้แข็งแรงนะเขาใช้ไปทําผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเนี่ยแข็งไว้เลยเหมือนกันนะเรียก ว, ว่าไม่ใช่โอ้โยอ่อนโยนอ่อนทั้งหมดเลยนะท่านอา น, นู้นก็ไปอันนี้ก็ไปกลายเป็นว่างานของตัวเองที่บวชมานี่ไม่ได้สักอย่างเลยนะ ไปยังอื่นหมดเลยเกรงใจเข้าไปหมดเลยถ้าลักษณะนี้ก็ผิดงานเลยนะอย่างนั้นท่านบอกว่าให้แข็งเอาไวเลยนะ <c oughs> แต่พึงเป็นผู้อ่อนโยนในข้อวัดปฏิบัติและในการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนะถ้าเป็นไปกระศีนสมาธิเป็นยาเป็นไปกับพระธรรมคำสอนเนี่ยอ่อนไว้มากๆอันนี้ดีนะ <c oughs> เป็นผู้ควรแก่การแนะนาในกิจนั้นๆประดุจทองคาที่ช่างทองหลอมดีแล้วฉะนั้น ถ้าเป็นไปกับถ้าทำคำสอนเนี่ยอ่ อ, อนอุ้ยอ่อนโยนเลยนะแนะนำมาเถอะว่า ง, งานพร้อมที่จะปฏิบัติตามสติตามกําลังนั้นแหละคล้ายๆกับพระราหูนเนี่ยนะใคร่ต่อการศึกษาแบบนั้นอนะ่ะขอให้มีคนโอวาทแนะนําตักเตือนเธอะแต่ว่าคำแนะนําตักเตือนต้องเป็นไปตามคําสอนแต่ถ้านอกคําสอนเนี่ยให้แข็งไว้เลยอีกประการหนึ่งมุทโตเนี่ยแปละว่าอ่อนนะได้แก่พึงเป็นผู้ไม่น่าสยิว ก็คือเป็นผู้มีหน้าเบิกบานเจราจาไพเราะประพฤติปฏิสันฐานเป็นผู้ยึดถือความสุขมาให้ดูดวัตถุที่ตั้งดีแล้วฉะนั้นและกลบุตรจะพึงเป็นผู้อ่อนโยนอย่างเดียวหาไม่ได้จะพึงเป็นผู้ไม่เย้อยิงอีกด้วยนะอ่อนโยนนี่ใช้ได้แล้วนะ <c oughs> ต้องไม่เย้อยิงอีกนะคือไม่พึงดูหมิ่นคนอื่นทั้งหลายด้วยอติมานะวัตถุมีชาติและโคตรเป็นต้น ว่าเรามีชาติดีกว่ามีโคตรดีกว่ามีตระกูลดีกว่ามีการศึกษา ม, มากกว่านะรูปร่างยังอยู่ในวัยหนุ่มเป็นต้นเนี่ยนะต้องไม่มีการดูถูกดูแคลนเย่อะยิงอย่างนั้นไม่มีทักอย่างว่างั้นเพึงเป็นอยู่ด้วยใจเสมอด้วยเด็กจันทารดุดระษาริบุตรเถระฉะนั้นก็บอกว่าภาษาริบุตรเนี่ยกล่าวว่าเด็กจันทานเนี่ยนะถือกระเบื้องเที่ยวขอทานเนี่ยนะเด็กจันทานเนี่ยไม่ได้มีรู้สึกว่าโหลมพองอะไรซากอย่างหนึ่งเลยในการ อ, อุ้มกับเบื้องขอทานไปเนี่ยนะฉันได้ว่างั้นาใจของพระสารีบุตรท่านบอกว่าใจท่านเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยไม่มีลําพองว่าชันเนี่ยเป็นองค์ที่สองในผู้าศาสนานะไม่มีความรู้สึกเลยหรือท่านบอกว่าโคเขาขาดเนี่ยวัวที่เขาตัดเขาออกหมดแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่หัวเกลียนๆอ ย, ย่างเงี้ยว่าไปสู้กับวัวที่ไหนก็แพ้เ้าหมดแหละก็บอกว่าใจของท่านเนี่ยเวลาท่องเที่ยวหรือเวลาเดินเวลายืนเป็นต้นเนี่ยท่านคิดแบบนั้นแหละคิดแบบวัวเขาหาดเลยหรือว่าแผ่นดินเนี่ยนะ แผ่นดินเนี่ยเป็ของที่สะอาดไม่สะอาดที่คนเขาถมลงไปเนี่ยแผ่นดินก็ไม่ได้อึดอัดนะว่าระอิระอาอะไรสักอย่างหรือคนเขาบูชายกย่องแผ่นดินก็ไม่ได้ฟูขึ้นอะไรเลยใจของภาษารียบทก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ําเหมือนกับดินเหมือนกับลมเหมือนกับไฟนะและก็เหมือนกับเด็กจันทานเหมือนกับโคเขาขาดเหมือนกัน เพราะบางท่านก็เลยกล่าวว่านะจงทําใจให้เหมือนกับผ้าคีเ็วนั่นแหละแต่ว่าอย่าทําตัวแบบนั้นนะพคือยอมรับได้ทุกอย่างนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปทําตัวเร็วแหลกแบบนั้นเนี่ยเลอะเทอะสกปร ก, กได้ใช้ไม่ได้มาถึงตรงนี้นะฮะท่านที่ เ, เรียนพระพิธรรมมานะฮะที่ยุคโคนธรรม6กคู่นะะ <c oughs> เช่นกายมุตุตาจิตมุตุตาเนี่ยนะกายะมุตุตาจิตยจิตมุตุตานี่นะ ตรงเนี้ยครับแสดงไว้อย่างดีเลยครับตัวมุทุเนี่ยท่านลองดูนะครับตรงเป๊ะเลยเพราะว่าปกติเวลาเราเรียนยุคลคละธรรมบุคคลนั้นะเราไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ า, ม, า ม, มันออมันยังไงนะมันอ่อนยังไงนะฮะมันมันอ่อนยังไงแล้วมันคือจิตเนี่ยมันอ่อนยังไงนะทั้งเจตสิกเนี่ยมันอ่อนยังไงเนะี่ยแต่พอมาดูตรงนี้แล้วนี่นะฮะจะอธิบายไว้อธิบายถึงจิตที่มีเจตสิกนั้นประกอบอย่างชัดเจนมากเลยท่านท่านเห็นดรึไหมครับ ชกับอุชุยตวงนะฮะตรงบนเนอและจงพึงเป็นผู้ตรงเนะครับเนอกายยุชุกตาเนอจิตยุชุกตาเนะครับ ค, คนที่จะปฏิบัติตามนี้ได้นะต้องเป็นใจที่ที่อ่อนจริงๆนะถ้าใจแข็งกระด้างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเนออย่างเจริญสมถะเนอเนาะถ้าใจแข็งกระด้างหน่อยเดียวเนยเจริญไม่ไปนะอย่างเช่นนึกถึงพุทธคุณนะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะ ถ้ามันแข็งกระด้างเนี่ยไม่ค่อยไปหรอกบางทีก็นึกไปทื่อื่อือ่มันเหมือนกับใจที่มีหลักตอนนะแต่ถ้าหากว่าคนที่จะเจริญได้นะั้นจะต้องเป็นใจที่อ่อนจริงๆนะใจที่อ่อนว่างั้นเถอะพร้อมที่จะรับเลยนะถ้าเป็นคําสอนเนี่ยเหมือนภาชนะที่หงายเนี่ยเปิดรับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นะนะอันนี้ก็เป็นคุณนะสมบัติของผู้มีศีลนั้นจะต้องเป็นลักษณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัดประโยชน์บางอย่างอันควรทมสำหรับพิสุผู้อยู่ป่าเป็นวัดโดยพิเศษผู้ใคร่เพื่อจะตรัสรู้สันตบทอยู่หรือปฏิบัติอยู่เพื่อบรรลุสันตบทนั้นอย่างนี้แล้วทรงประสงค์จะตรัดประโยชน์ที่ควรกระทาแม้อย่างยิ่งกว่านั้นอีกนะก็ต้องมีคำว่า สันตุสโกเนี่ยนะคาถาที่สองคาถาแรกก็คือว่าการณียะมาทะปุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสเสมจะสักโกอุโชจะสุขโชจะสุวะโจจัตสัมุทุอนาติมาณีอันนี้คาถาที่หนึ่งนะที่แปลว่ากุบตรผู้ฉลาดในประโยชน์ตราถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบดเพึงบําเพ็ญตรัยศิขานะกบรนั้นพึงเป็นผู้อาถารเป็นผู้ตรงเสื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่ง เขรียคาถาทั้งหมดนะั้นเรียกว่าคาถาที่หนึ่งนี้มาคาถาที่สองว่าสันโดดเลี้ยงง่ายนะเป็นต้นเนี่ยนะในคาถานั้นกุลบุตรชื่อว่าเป็นผู้สันโดษเพราะอาจวิเคราะห์ว่าย่อมยินดีด้วยสันโดดสิบสองอย่างนะเหมือนกับที่ท่านกล่าวไว้ในสันตุถีจักกตันยุตาในคัมภีร์เดียวกันนี้ไปดูได้ในมงค ล, ลสุดแต่ว่าสันโดดสิบสองได้แก่อะไรบ้างสันโดดเนี่ยมีสันโดนนโดในปัจจัยสี่ก่อนนะ ปัจจัยสี่มีอะไรบ้างหนึ่งจีวร น, นะเครื่องนุ่งห่มสองอาหารสาที่อยู่อาศัยสาสี่ยารักษาโรคสันโดษอย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าสันโดษตามมีตามได้ยะละยะทาลาภะสันโดษสันโดษตามมีตามได้สันโดษอย่างที่สองเรียกว่ายะถาทะละสันโดษสันโดษตามกําลังนะ แล้วก็ข้อ3ที่เรียกว่ายะถาสารูปะสันโดษสันโดษตามสารูปนะสันโดษ3อย่างนี้คูณกับปัจจัย4เรียกว่าสันโดษ12นะเช่นจีวรเนี่ยนะสันโดษตามมีตามได้ก่อนเสร็จแล้วก็สันโดษตามกําลังว่าเอ๊ะกำลังของเราเนี่ยจะใช้ผ้าชนิดไหนเป็นต้นเสร็จแล้วก็ตามความสมควรไม่ใช่เป็นเป็นพระที่ไม่ค่อยเหมาะสมไปหาแต่ของดีๆมาใช้ซึ่ง อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับสารูปเป็นต้นเนี่ยนะสันโดษสามอย่างในจีวรสันโดษ3มอย่างในบินทบาทคือสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกําลังและก็สันโดษตามสารูปนะในที่อยู่อาศัยนะก็เหมือนกันสันโดษตามมีตามได้ก่อนข้อ1ข้อ2สันโดษตามกําลังข้อ3ก็ตามสารูปนะแล้วก็ยารักษาโรคก็เหมือนกันนะสันโดษตามมีตามได้ สันโดตามกำลังสันโดษตามสารูปนะซึ่งถ้าหากว่าในคัมภีร์จูลนิเทศผว้อธิบายสันโดดไว้เยอะจริงๆเลยนะสันโดดในจูล น, นิเทศในอัตถาจูลนิเทศนะโอ้สันโดษตรงนั้นเนี่ยมากจริงๆเลยเจอสันโดด12บสอทีแรกเนี่ยหูเยอะจังแต่เจอสันโดษตรงนั้นมากกว่ายี่สิบอสันโดษตั้งแต่เรื่องผ้าเนี่ยนะตั้งแต่ได้ตั้งแต่เย็บตั้งแต่ย้อมตั้งแต่ซักตั้งแต่ใช้โอ้อรายละเอียดเอียดยิบเลย คุณสมบัติเหล่านี้นะเกี่ยวกับเรื่องสันโดษก็ยังอยู่ในประเภทของศีลผู้ที่ศึกษาอริยวังสัจสูตรมาแล้วเนี่ยวงของพระอริยเจ้านะพระอริยะทั้งที่เป็นอดีตมีพระทีปังโกนเป็นต้นมาเลยเนี่ยหรือพระอริยะที่จะมีในอนาคตคือพระศรีอานเป็นต้นหรือพระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นะนะในอริยะวังศัสูตรเนี่ยท่านกล่าวว่าความสันโดษนายหนึ่งสันโดษนจีวรสันโดษนาย อาหารบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะและยินดีในภาวนานะยินดีในภาวนาสี่อย่างนี้เป็นของวงของพระอริยเจ้านะตั้งแต่อดีตด้วยอนาคต ด, ด้วยทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันพระอริยะทั้งหลายเป็นไปกับสอย่างนี้สันโดษข้อที่หนึ่งนะเออสันโดษในเรื่องจีวรบินฑบาตเสนาสนะอันนี้คือเรื่องของศีล น, นะยินดีในภาวนาสมถะและวิปัสสนาก็คือสมาธิและปัญญา เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกับคำสอนนั่นนะต้องเป็นไปกับสิกขาสามอย่างเดียวทนะ่านอ่านแล้วก็ตีแตกหมดนะผมไม่อ่านแล้วยังได้ตัวสองตัวเั่นนะ่ะก็ท่านอ่านแล้วก็ท่านตีแตกหมดก็อ่านสนุกอนะแล้วพวกผมลนะอ่านอ่านไปเรื่งเยอะได้จับปรด็นนิดเดียวอนะก็แสดงว่าอ่านยังไม่ถึงขนา ด, ดเลยครับอืออ่านต่อไปครับเจนน อีกอย่างหนึ่งนะว่ากุลบุตรนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความพอใจเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมพอใจกุลบุตรผู้สันโดษเพราะอาจว่าผู้พอใจด้วยของของตนนะตรงนี้สันโดษอีกในยันหนึ่งก็คือพอใจในของของตน2พอใจด้วยของที่มีอยู่และก็พอใจโดยชอบอนี่นี่ไห น, นที่สองนะสันโดษสิข้อต้อนเนี่ยนี่อีกใน1อันนี้อีกในหนึ่ง สันโดษสาอย่างข้างล่างใช่หมผู้พอใจด้วยของของตนพอใจด้วยของที่มีอยู่พอใจโดยชอบสัมมานะโดยถูกต้องอะ่ะในสามอย่างนั้นปัจจัยสี่ที่ตนแลรับแล้วซึ่งยกขึ้นในมณฑลแห่งการอุปสมบทอย่างนี้ว่าโภชนะคือคำข้าวที่หามาได้ด้วยปลีแข่งชื่อว่าของตนนะสันโดษด้วยของของตนก็คือ นะในอะไรนะอนุาสา์แปนะอนุาสาวร์แปตั้งแต่บวที่แรกเลยก็บอกว่าโภชนะคือคำข้าวที่หามาได้ด้วยเปลีแข่งนะ น, นี่ว่านี่คือที่มาของอาหารแบงนั้นเของตนเนี่ยนะกุลบุตรไม่แสดงอาการผิดแปลกในเวลารับและเวลาบริโภคเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่นั้นดีก็ตามไม่ดีก็ตาม ที่เขาให้โดยเคารพหรือไม่เคารพก็ตามเรียกว่าผู้พอใจด้วยของของตนนะคือได้ได้ได้ของบินทบาทมาลักษณะนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่อนุสาวรีย์เลยนะตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยข้อแรกเลยนะว่าอาหารเนี่ยได้มาด้วยปลีแข้งที่เหลือนี่ชื่อว่าราบเหลือเฟือชื่อว่าดิเรกราบนะกีฬาคือบินทบาทที่อยู่อาศัยเนี่ยโคนไม้ฟังกันฟันที่นอกจากโคนไม้เนี่ยถือว่าราบเหลือเฟือ นะถือว่าอดีเรกแลาบอดีเรก克าบแปลว่าราบเหลือเฟือว่างั้นหรืออย่างหนึ่งนะก็คือยาเนี่ยเขาบอกว่ายาดองด้วยน้ำมุกน้ำเนาอ่ะน้น้ำโมดเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับสมอแช่ปลา ส, สวะอะไรลักษณะเนี่ยนะเรียกว่าหรือว่าดองด้วยเยี่ยวโคมูดโคเนี่ยแต่เขามีวิธีการอยู่เขาบอกว่านี่คือยารักษาโรคของเธอที่เหลือกว่านั้นเช่นน้ําผึ้งน้ําอ้ อ, อยเนยใสเนยข้นพวกนี้ชื่อว่าอดีเรกราบหรือราบเหลือเฟือนี่แหละ เพราะฉะนั้นจีวรนจีวรก็คือผ้าบางสกุลเก็บตามข้างถนนหนทางตามนะตามถนนหนทางตามตรอกตามต่าชาเป็นต้นนี่นคือผ้าของเธอแต่ถ้าเกินกนนว่านั้นชื่อวลาบเหลือเฟือว่างั้นพระองค์ก็อนุญาตอยู่แต่ว่าไม่ต้องห่วงมันไม่ต้องหนักใจหรอ ก, กชั้นที่สุดเนี่ยเก็บผ้าข้างถนนมาประติดประต่อห่มมันใช้ได้แต่ก็ต้องสีเป็นไปตามพระวินัยนะะนนแต่ก็ไม่ใช่แบบคนจันทานโนยเป็นกลายเป็นรุ่มร่ามดูแล้วก็ไม่ไม่ใช่อยีกงั้นอีกนะ เขาเรียกว่าแบบอริยะชนเนี่ยท่านประพฤติอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสำนักเนี่ยมันตกถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวตกไปนั้นอีกแล้วใช่ไหมต่ําที่สุดแล้วใช่ไหมว่าที่อยู่อาศัยก็มองเห็นโคลนไม้เออบ้านเราและใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแะสร้งยังไงต่อไปอีกถ้าเจ อ, จเ อ, อนะเศษผ้าข้างต่อ น, นึ่น่นคือผ้าที่จะต้องนุ่งห่มนะคือถ้าทําใจได้ขนาดนั้นยารักษาโรคก็โหปัสสาวะก็มีอยู่กับตัวอยู่แล้วกินน้ําก็ไปเดี๋ยวหา ลูกไม้บางอย่างที่มันเป็นตัวยาก็มาดองไปตามนั้นแต่รู้หลักหน่อยนะอะไรแล้วก็มีนีมีในาตามนั้นเนี่ยนี่คืออนุศาสตร์ที่อุปชายะบอกตั้งกตะต้นเลยนะตั้งกับบวชปั๊บเนี่ยให้อย่างนี้เลยแต่ท่านให้เป็นภาษาบาลีนะเจริญพรไม่เป็นรายก็ศึกษาหน่อยคือสมัยก่อนนี้นะเออสมัยก่อนเนี่ยคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องสันโดษเนี่ย ผู้นำของเราเนี่ยถึงกับขอร้องให้พระจะสอนเรื่องสันโดษบอกสอนสันโดษแล้วชาติไม่เจริญเจ้าพ่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อน ะ, อะเช่นว่าแม้แต่เรื่องสันโดษนี่นะครับก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องของกุศลทั้งหมดเจ้าพ่อใช่เป็นเรื่องของกุศลทั้งหมดถ้าหากว่าไม่เข้าใจไม่ศึกษาละเอียดอย่างนี้นะไปมองว่าสันโดษก็เออนะเพราะแค่ไหนก็พอน ะ, อะสันโดษ ไ, ไม่ใช่ขี้เกียจนะคพนะลังงานนะ วันนี้ขี้เกียจทางานเพอแล้วมีพอใช้แล้วเลิกแล้วตรงกันข้ามนะพระองค์บอกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกันนะทำมากแต่คําว่าสันโดก็คือหนึ่งอันนี้นี่พูดถึงลักษณะของบรรพชิตว่าโดยที่สุดแม้แต่ระดับนี้ก็อยู่ได้แต่ว่าสันโดเรื่องนี้เพื่อไปทําอะไรเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรนั่นแหละเราก็ต้องนึกไปส่วนอื่นด้วยแต่ของคาราวาสนั้นอ่ะในสูตรทั่วไปนั้นก็คือ ทำงานด้วยแรงกายเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ําเป็นต้นเนี่ยหามาด้วยความยากความลําบากแล้วพระองค์งสอนเรื่องวิธีทํางานด้วยนะเช่นด้วยถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นในสูตรเหล่านั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหสันโดษก็เลยนอนแช่เลยศึกษาเรื่องกรรมมาไม่ดีอีกถ้าเรามีทํากรรมไว้คงได้กินละมะั้งนะเขาไตโน่นเลยไตกันใหญ่เลยกลายที่เกียดแั่หลังยาวเลย เจียมทอนอันนี้พูดถึงพิษสูตรนะนแล้วโคนไม้ท่านก็อยู่ได้เป็นช่วงนะในเขตในใ น, ในหน้าฝนไม่ให้อยู่นะแต่จะให้อยู่ได้แปดเดือนลูกขมูลนี่ถือได้แปดเดือนนะแต่ว่าพระที่ท่านอยู่อยู่โคนไม้เนี่ยท่านไม่ได้อยู่เพื่อเพื่อไปสนุกสนุกอะไรท่านอยู่เจริญกรรมฐานเพราะฉะนั้นท่านจะตะมองเลยว่าต้นไม้แบบนี้น่าอยู่ต้นไม้แบบนี้มีพิษไม่มีพิษ ตรงนี้มีสัตว์ร้ายหรือไม่มีแต่ถ้ามีก็มีคาถากันการสัตว์ร้ายอีกเขาาว่าคาถาว่าไงวิรูปาเคหิเมเมตตางเมตตัก็คือมีเมตนะขอเราเมตตาจิตของเราพึงมีไปในพญางูชื่อว่าการหาอย่างเงี้ยก็คือให้เจริญเมตตามากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สุโรูปหนึ่งถูกงูกัดพระองค์ตรัสว่าที่สุโรปนั้นคงไม่ได้เจริญเมตตาให้พญางูเป็นแน่ว่างั้นนะพระองค์ก็ให้สอนให้อยู่ด้วยเมตตานั่นแหละ อันผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาก็คืออยู่ด้วยที่อยู่แบบพรหมและไม่ต้องห่วงไงแต่ถ้าได้ฌานนะเขาเรียกว่าทิพทิพนะวิหารมีอยู่3ามคำนะทิพวิหารพรหมวิหารและอริยวิหารเคยด้ยินนะวิหารสามวิหารที่1เรียกว่าทิพภวิหารได้แก่ฌาน4ีนะฌานที่1ถึง4เนี่ยผู้ที่เข้าฌานได้เรียกว่ามีที่อยู่อย่างดีแล้วเรียกว่าทิพพวิหารอยู่แบบทิพแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่กับพรหมวิหารสี่อันนี้เรียกว่าพรหมวิหาร เข้าพระสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยะ ว, วิหารนะของเราไม่มีที่อยู่สักอย่างเนี่ยนะร้อนเลยร้อนเล ย, เลยโลภโทสะเป็นต้นนะอันนั้นอันนั้นได้แล้วนะข้อสันโดษข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าพอใจด้วยของของตนข้อหนึ่งนะนปัจใจสีท่ทีนี้ข้อสองบอกว่าข้อสองว่าไงพอใจด้วยของที่มีอยู่เนี่ยนะคืออธิบายว่า สิ่งใดอันตนได้แล้วเป็นของมีอยู่ของตนสิ่งนั้นชื่อว่าของมีอยู่กุลบดยินดีด้วยของมีอยู่นั่นแหละคือไม่ปรารถนาสิ่งอื่นจากของมีอยู่นั้นสละความเป็นผู้ปรารถนาที่เกินเสียเรียกว่าพอใจด้วยของมีอยู่และมีอยู่เท่าใดก็ยินดีเท่านั้นนะและก็ข้อ3าข้อสคืออะไรพอใจโดยชอบ การละอนุสัยและปฏิฆะในอิทธารมและอนิฐารมชื่อว่าชอบนะแต่ก็ชอบจริงๆชอบแบบไหนสัมมารจริงๆก็คือถ้าเจออิทธารมก็ไม่มีโลภะถ้าประสบกับอนิฐารมก็ไม่เกิดโทสะอันนี้ชื่อว่าชอบกุลบุตรพอใจในอารมณ์ทั้งปวงโดยชอบเรียกว่าพอใจโดยชอบ ทุกอารมณ์เลยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไดนเป็นได้ไงนะเขาฝึกเขาฝึกทําได้จริงๆนีก็คือศีลข้อไหนอินทรีย์สังวงศีลนั่นแหละสำหร่อที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้ยุงกัดก็ไม่โกรธยุงอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสันโดษ3ามอย่างใช่ไหมหนึ่พอใจด้วยของของตน2พอใจด้วยของมีอยู่3พอใจโดยชอบสันโดษ3าอย่างนี้คูณปัจจัย4เข้าไปเป็น 12เพราะฉะนั้นสิบสองสองนัยยะด้วยกันนะอันนี้เรียกว่าเชื่อว่าสันโดษนะสันตุสโกเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าสุพโรสุพโรนี่เชื่อว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะเพราะวิเคราะห์ว่าผู้อันเขาเลี้ยงโดยง่ายอธิบายว่าผู้เลี้ยงดูโดยง่ายจริงอยู่ภิษุใดแสดงความเป็นผู้น่าเสีย และความเป็นผู้ไม่พอใจในบินทบาทแม้ที่เขาบรรจุ ข, ข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นต้นเต็มบาทถวายหรือผลักบินทบาทนั้นต่อนหน้าเขาทั้งหลายว่าพวกท่านให้อะไรย่อมให้แก่สามนเณรและเครอหอขันเป็นต้นพิสูจนั้นชื่อว่าเลี้ยงยอกนะเขาเอาอาหารมาถวายก็ทําเป็นหน้าไม่ดีโอ้เอาอะไรมาถวายเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมโวยวายบงแบงบงแบงแจกให้คนอื่นไป <c oughs> แต่มีนะพระแบบนี้ก็มีนะ <c oughs> ทีทท่ที่ท่านที่ท่าน กิเลสเยอะๆนะท่านก็ทำได้แสดงออกมนุษย์ทั้งหลายเห็นภิสูนนั่นย่อมลีกเว้นแต่ไกลเทียวว่าพิกษุเลี้ยงยากไม่อาจบำรุงให้เลี้ยงได้บางองค์เนี่ถึงกับขนาดนั้นก็ทำครัวเองเลยอย่างเงี้ยก็มีถ้าทำไม่ถูกใจก็ประกอบซะเองเลยนะก็อย่างว่าสมัยนี้มันเป็นได้หมดแหละไม่ต้องห่วงอ่ะอันนี้แค่ไม่สุภโรนะถ้าอย่างงี้ไม่เลี้ยงง่ายแล้ว ส่วนกุลบุตรใดได้บินทบาติอย่างใดอย่างหนึ่งเศร้าหมองก็ตามประณีตก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามมีใจเป็นของตนไอ้คาว่าใจเป็นของตนนะใจยังไงจึงเรีว่าชื่อว่าใจเป็นของตนถ้าถูกโลผะเล่นงานนี้ของตนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะโทสะเล่นงานก็ไม่ใช่ของตนโมหะเล่นงานก็ไม่ใช่ของตนแล้วแสดงว่าใจเป็นกุศลนั่นแหละได้เกี่ยวข้องนะกับบินธบาตอย่างใดอย่างหนึ่งก็กรักษากุศ ล, ลจิตไว้ได้ อนะุสสารจิตเป็นของตนจริงๆเพราะให้ประโยชน์แก่ตนต่อไปในอนาคตแต่ถ้าโลภะเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ของตนนะอันนี้ทำลายตนนะมีใจเป็นของตนก็คือกุศลจิตยังสืบเนื่องต่อไปได้มีหน้าผ่องใส ย, ยังมีชีวิตให้เป็นไปอยู่กุลบุตรนั้นชื่อว่าเลี้ยงง่ายมนุษย์ทั้งหลายเห็นกุลบุตรนั้นนั่นแล้วเบาใจอย่างยิ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเลี้ยงง่ายย่อมยินดีด้วยของแม้น้อยๆ พวกเราเท่านั้นจับบำรุงเลี้ยงพระผู้เป็นเจ้านั้นดังนี้แล้วทําปฏิญญาบำรุงเลี้ยงปฏิญญาก็คือเพื่อนรารนาเป็นต้นนั้นเองกุ่บุตรมีรูปอย่างนี้ทรงประสงค์ว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายในคาถาเน้นนะสันตุสโกจะสุพโรจะอัปกิจโจจะสันลหูกะวุเตเนี่ยนะคาว่าจะสุภโรเนี่ยนะบาลีว่าสุภโรเนี่ยเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงง่ายในลักษณะนี้แล้วก็อัปกิจโจมีกิจน้อยเพราะมาณ คำว่ามีกิจน้อยก็คือวิเคราะห์ว่ากุลบุตรนั้นมีกิจน้อยคือไม่ขวนขวายในกิจล้าอย่างมีความเป็นผู้ยินดีในการงานยินดีในการพูดและยินดีในการคลุกคลีเป็นต้นนะคิดว่าไม่ชอบพูดคำว่าพูดในที่นี้ก็คือพูดกระติรสสารคถาเนสาสบเรื่องเนี่ยไ ม, ไม่ชอบพูดแบบนั้นหรอกนะไม่ชอบยินดีในการงานก็คือการงานที่มาเด็กเกลือกูลต่อสมถาวิปัสนาเป็นต้น แล้วก็ไม่ยินดีในการคลุกคลีในบันประชิตคารวาสเป็นต้นในกิจที่ไม่สมควรอีกประการหนึ่งมีคําอธิบายว่ากุลบุตรนั้นเว้นจากกิจมีการทํานวกรรมในวิหารทั้งสิ้นไม่ก่อสร้างอย่างนั้นเถอะนวะกะนี้นวะตรงนี้แปลว่าใหม่นะกรรมก็คือการกระทําทําของใหม่ๆขึ้น่ะอันนี้คืออนนวกรรมการก่อสร้างนั่นเองนะก็ไม่ไม่ทําอย่างนั้นไม่ การสั่งสอนหมูสงสมมามเณรและคนวัดเป็นต้นอสอนก็ไม่สอนอีกอค่านนี้ท่านไม่ค่อยเข้าเออท่านจะ น, นิพพานแล้วท่านาไปสนใจอะไรนักกันเนะ <S <S าะกระทาอยู่ซึ่งกิจของตนมีการปลงผมตัดเล็บระบมบาทและเย็บจีวรเป็นต้นชื่อว่าผู้มีกิจคือทำส ม, มณะทำเป็นเบื้องหน้าภาระทุกอย่างเนี่ยลดหมดมั้นเงี้ย เกี่ยวกับเรื่องจีวรอาหารมินธบาทีท่อยู่ที่อาศัายการคลุกคลีกา ร, การงานทั้งหมดเนี่ยตัดหมดเพื่อที่จะให้มีเวลาตรึกเพื่อทำได้ยาวๆเนี่ยนะแต่ถ้าตัดประเพณีพอดไม่ได้เนี่ยเชื่อธรรมะนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดเลยสังเกตหลายครั้งนะสมมติถ้ามีเรื่องเรื่องกังวลสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลยนะก็ไตวิดกนึกไม่ออกสักเล่มเลยว่าไงมีในงานนั้นอย่างเดียวเลยเอย๊อย่างนี้มันจะมันจะลู่วงในงานนี้อย่างไงได้อย่างไงจะเป็นไปได้อย่างไง กับถ้าตัดไปโทษออกไปยังยกตัวอย่างบางช่วงเลยเราตัดเลยไม่คิดจะเดินทางไปไหนก็ไม่ไปจะทําอยู่เท่านี้แหละบา ง, งั้นอย่างเอิร์นไม่เอาละกิจอย่างเอิร์นเนี่ยไม่มีธุระไม่ทําลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูอืมดีฮะแต่พ่อบอกว่าจะเดินทางพับเนี่ยนะบางเอิร์นต่างประโยคะหน่อยนะประโยคะมันเป็นยังไงเนี่ยศาสกะมีประโยชน์ะอะไรไมไหยจะไปยังไงจะไปยังไงจึงจะเหมาะสมไปยังไงไม่เสียทิน้นไม่เสียธรรมเนี่ยโอ้เรื่องชักยาวเลยนะมันคิดออกนอกตัวแล้ว เดินทางยิ่งไกลามากนะหลายๆกิโลยิ่งคิดไกลเท่านั้นเน่ยนะยิ่งยิ่งถ้าเข้ากรุงเทพด้วยเนี่ยโหวางแผนหนักนันนั้นอีกจะไปยังไงเนี่ยโบกรถเมยพวกจะให้ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะจะขึ้นรถตรงไหนไปลงตรงไหนเอ๊ะท่ามตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเดินเนี่ยอีกห้ากิโลห้ากิโลเนี่ยจะต้องลงรถกี่โมงเดินช่วงนั้นเท้าพองแน่ะก็ต้องมองให้มันออกตลอดสายไม่อย่างนั้นก็นะบาปมันให้ผลไปโทษไม่ได้นะเพราะประโยชน์ข้าวบิบิ ถึงว่ามีกิจมากมีกิจน้อยนะถ้าใครสงสัยนะลองเอาโทรศัพท์ไปติดตั้งดูครับทีกุฏิท่านนะลองโทรศัพท์ไปติดตั้งนะครับกําลังอ่านเพลินๆนะกรี๊งเท่านก็ต้องไปรับใช่ไหมไปรับป่ะแต่ก็ไม่โทรมาท่านก็โทรไปอีกเลยครับนี่แหละครับรับรองถ้ามันมีอยู่ตรงนั้นนะครับนะฮะได้เรื่องเลยครับเพราะฉนนั้นชีวิตคารวัตครับแคมจริงครับแล้วเอ่อ กิจเหล่านี้นะก็ถ้าหากว่าเราฉลาดที่จะวางแผนหรือประโยคะดีๆนะเราก็กิจเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะลดได้แต่อย่างอย่างสมณะเพศนี้มีทางเลือกอยู่แต่ก็ถ้าหากว่าคนที่ขวนขวายที่จะคลุกเคลียนะไปอยู่ไกลขนาดไห น, นก็จะต้องคลุกคลียนั่นแหละก็ <S <S 1> <S 1> แล้วแต่คนอีกนะบางคนเนี่ยอย่างพระรูปหนึ่งท่านไม่รู้จักใครเลยนะท่านอยู่ในเมืองอะ่ะท่านอยู่ในเมืองอยู่อย่างพลาสุกโดยที่ไม่รู้จักใครเลยนะ อ, อ, อยู่ที่มหาวิหารนะแต่ว่า พระในาสมัยพุทธโคสาจารยนนะท่านมีกิจน้อยกับเหมือนกับที่พระที่เราได้ยินนะเจ้าคุณนรรัต อ, อ่ะท่านก็มีกิจน้อยจริงๆท่านที่อยู่กลางกรุงอะ่ะท่านก็มีกิจน้อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรกรับใครหรอกนะอยู่บานอ ย, อ ย, อยู่บนทั้งสองก็บายเลยเจนน่าเนนะี <c> ่ย <oughs> ไปหาคเคเบิ้ลไปไว้ที่นั่นหนึงนะเพื่อที่จะได้รับแต่เดือกแะดือกหน่อยอ่าต่อไปก็ จะสัละหกุติก็คือมีความประพฤติเบาความประพฤติเบาเขาอาจว่ากุลบุตรนั้นมีความประพฤติดาวประพฤติเบาภิกษุผู้มีสิ่งของมากบางรูปในเวลาหลีกไปสู่ทิศก็ให้มหาชนเนี่ยขนบาจีวรผ้าปูที่นอนน้ำมันน้ำอ้อยจำนวนมากเป็นต้นโดยทูลศีสะบัง้งนะกระเดียดบ้างเป็นต้นหลีกไปอยู่ชันใดทไมนี่ก็จะไปที่อื่นก็เหมารถเลย กุลบุตรใดไม่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้มีบริขาร น, น้อยใช้สอยเฉพาะบริขารแดมีบาทและจีวรเป็นต้นเท่านั้นในเวลาหลีกไปสู่ทิศก็ถือเอาเท่านั้นหลีกไปเหมือนนกมีปีกเะนั้นกุลบุตรมีรูปอย่างนี้ประสงค์ว่ามีความประพฤติเบาในคาถานั้น ค, คือเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะไปได้เลยถ้าไม่สปายะเป็นต้นนั้นนะแต่ถ้าเป็นพระสมัยก่อนที่ที่ท่านมุ่งสมณธรรมมุ่งที่จะ บรรลุมัคผลนิพามเนี่ยท่านเตรียมพร้อมหมดเลยว่าถ้านะไม่สปายะหรือมันขาดสปายะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านพร้อมที่จะไปเลยเพราะว่าอย่างในพระสูตรบางแห่งเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าถ้ารู้ว่าอยู่ที่ใดเป็นต้นแล้วกุศลไม่เจริญรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนในในเสวิตตพาเสวิตั พ, ตพะสูตรเนี่ยนะท่านก็กล่าวไว้รายละเอียดถึงสถานที่อยู่แล้วอยู่ที่ไหนกุศลเจริญกุศลไม่เจริญเป็นต้น มันพร้อมที่จะจากที่นั้นๆได้เลยใช่ไหมพระองค์เนี่ย ว, วางไว้ในลักษณะ น, นั้นนะพระองค์ทรงสอนสาวกไว้ในลักษณะ น, นั้นไอเรื่องผูกพันเรื่องเกี่ยวพันในในผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จรงิงๆเนี่ยจะอ่อนมากจริงๆก็เหมือนกับพิสูุกลุ่มนี้เนี่ยตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้บอกโยมเลยตายเนสมัยนี้คงทำยากเงี้ยนะก็ <laughs> <ใน S 1> <c oughs> จาริกรอนแรมไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้าความรู้ไม่พอจริงๆเนี่ยนะทำแบบสมัยโบราณคนค่อนข้า ง, งยากสมัยก่อนนี้ไอเขาลีกไปจริงแต่ว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไปได้อะ <c oughs> นะความรู้อยู่ในตัวท่านหมดแล้วอ่นะแล้วท่านมั่นใจว่าท่านต้องนิพพานแน่นอนอะ <c oughs> ท่านท่านเชื่อมั่นตัวเองขนาดนั้น <c oughs> ไม่ใช่ของเราเอ๊ะนื่อกับห่วงไอ้นี่ก็กังวลไอ้นั่นก็ไม่เข้าใจจะไปยังไงอยู่ยังไงถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่พร้อมหรอกแสดงว่า จะต้องหาที่อยู่ที่อาศัยให้ได้ศึกษาบ้างแต่ทีนี้พูดถึงในลักษณะข้อปฏิบัติเหล่านี้อย่าลืมว่าสันสันตังประทังเนี่ยนะนิพพานเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วนะเขาเขาจะดับกองทุกได้แล้วไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตจิตใจเขามุ่งขนาดนั้นแล้วแสดงว่าเป็นผู้ที่เข้าใจคำสอนเป็นอย่างดีแล้วต่อไปอีกว่าชื่อว่านะ มีอินทรีย์อันสงบแล้วเพราะอาจว่ากุลบุตรนั้นมีอินทรีย์ทั้งหลายสงบแล้วอธิบายว่ามีอินทรีย์อันไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งราคะเป็นต้นในอารมณ์ทั้งหลายมีอิทธารมณ์เป็นต้นมองเห็นโลภะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดหูได้ยินเสียงโลภะโทสะก็ไม่เกิดลักษณะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สงบนะไม่ใช่นั่งหลับตาพิมพ์เฉยๆนะแต่หมายคำว่าเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปนั่นแหละนะ สันตะินทริโยนะบา e ลีว่าสันตินทริโยมีอินทรีย์อันสงบแล้วแล้วก็อีกบทหนึ่งนะนิปโกนิปโกก็คือเนปกะนะเคยได้ยินนะได้แก่ผู้รู้แจ้งคือผู้มีความรู้ได้แก่ผู้มีปัญญาอธิบายว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาศีลนะด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจีวรเป็นต้นและด้วยปัญญากําหนดรู้สัปายะเจ็ มีอาวาสสปายะเป็นต้นฉะนั้นแสดงว่าการวินิจฉัยเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ต้องแม่นยํามากนะแม่นยําในเรื่องของศีลแสดงว่ามั่นคงพอสมควรเพราะว่าถ้าวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันปฏิบัติยังไงก็ไม่ไม่เจริญแน่นอนมันต้องแก้ไขในวินัยข้อนั้นๆได้ก่อนจึงจะปฏิบัติแล้วเจริญพอกพูนต่อไปได้แต่ถ้าติดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แล้ว แล้วก็ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัย4ี่นะศาสกะสัมปัญญะนี่ก็ต้องละเอียดละอสุขุมรอบครอบเพราะว่าเกี่ยวกับปัจจัย4ี่เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอาชีพด้วยไปเกี่ยวกับเรื่องปาติโมขสังวรด้วยแล้วก็สามารถที่จะรู้สปายะทั้งเจ็มีที่อยู่สปายะเป็นต้นอยู่บ้างแห่งเนี่ยนะอย่าว่าแต่กรรมฐานวินัยยังรักษาไม่ได้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าผิดพลาดแล้วแล้วก็ ที่อาวาส ป, ปายะการพูดการคุยเป็นต้นเนี่ยส ป, ปายะไหมฉลาดผูกเรื่องฉลาดถามฉลาดตอบฉลาดอะไรไหมพอที่จะรักษากุศลจิตกุศลเจตนาต่อไปได้อันพวกนี้ต้องต้องมีความรู้พอสมควรจึงจะปฏิบัติที่ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอันที่เขาเรียกว่าสั่งสมบารมีมานาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเนี่ยมาบริบูรณ์มาเตื้อกูน่ะอันองค์คุณของการปฏิบัติไม่ได้มีโดดโดดดิงไปอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่ก็ต้องมีองค์ประกอบมีองคุณสามารถวินิจฉัยได้ เวลาก็เกือบหมดแล้วกุลบุตรก็คือผู้ที่เจริญกรรมฐานนั่นแหละหมายถึงหมายถึงบุตรของตระกูลน่ะนะโดยศัพท์ก็คือแปลว่าบุตรของตระกูลทีนี้บุตรของตระกูลมี2อย่างคือตระกูลดีมาบวตอย่างหนึ่งนะเรียกว่ากับ2อีกที่2ก็คือกุลบุตรโดยมารยาทกับกุลบุตรโดยตระกูลคำว่ากุลบุตรมี2ความหมาย นะเกิดมาตระกูลดีหกับความประพฤติดีหนึ่งก็เรียกว่ากุลบุตรเหมือนกันที่ที่ยกข้อความตรงนี้มากล่าวเพื่อให้เห็นว่าผู้ที่เจริญเมตตาเป็นต้นนั้นเขามีองค์ประกอบมีบริวารมหากุศลที่เป็นบริวารของการเจริญเมตตานี่มีอะไรบ้างะนะเพื่อให้เราเห็นว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราทําไมเราไปเจริญเมตตาแล้วไม่ค่อยได้ผลนะเจริญไปวับวับเดี๋ยวก็ เ, เดี๋ยวกเว็เอาอีกแล้วเลิกคิดเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้าง ก็แสดงว่าคุณนะสมบัติเป็นต้นนั้นอ่ะไม่ไม่ถึงกับเพียงพอในการเจริญเมตตาให้จิตมันสงบมันเป็นไปกับเมตตาได้ตลอดสายซึ่งสามารถชํานาญในอริยาบททั้ง4ได้ก็แสดงว่าเริ่มชีวิตส่วนหนึ่งมันก็เริ่มผิดพลาดมาตั้งแต่เรื่องศีลเป็นต้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอันองค์ประกอบเหล่านั้นก็ค่อนข้างมีพอสมควรแต่ถ้าหากว่าเมตตาเป็นต้นไม่ค่อยเกิดนะสภาพจิตซึ่งไม่สามารถที่จะเจริญกุศลให้สืบเนื่องได้นะ การวินิจฉัยเรื่องขันท่ารายะยนะตนหก็จะอ่อนไปตามนั้นอีกอ น, นะคุณภาพจิตของคนมีสมาธิดีเท่าไหร่การพิจารณาขันห้าก็จะเก่งมากเท่านั้นคนฟุ้งซ่านเท่าไหรนะ่นะเนคขันปั๊บมันก็ไปเรื่องอื่นแหละจะไม่รูปเอ๊ะรูปอะไรนะก็ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้อีกมันจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาแต่ถ้าธรรมดาทั่วไปเลยนะคนที่จะฝึกเจริญกรรมฐานทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยเป็นคนที่ใจค่อนข้า ง, งมั่นคงอะ่ะ ถ้ามองอะไรก็มองเรื่องเดียวเนี่ยสามารถมองได้นานๆโดยที่ไม่ละสายตาจากสิ่งนั้นคิดในเรื่องเดียวได้นานมากอะ่ะนะจนวินิจฉัยได้สมมุติยกตัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานก่อนใช่ไหมเรามองเห็นเนี่ยเออมองเห็นอาจารย์วินิจฉัยยังไงมันเป็นศีลได้ยังไงไงเห็นอยู่อยังไงแล้วสามารถเอาเรื่องศีลทั้งหมดมาวิเคราะห์ลงมาวิจัยได้นะเป็นปาฏิโมกขังวรได้ยังไงถ้าจะล่วงปาฏิโมกข่วงข้อไหนได้บ้างจะเป็นอินทรีย์สังวรนี่อินทรีย์อย่างไร จะเป็นอาชีวะจะเป็นปัจจยานี่จะเป็นได้อย่างไรแล้ว เ, เกี่ยวข้องกันนี้เป็นสมถะอย่างไงเป็นวิปัสสนาอย่างไรในเรื่องเดียวสามารถที่จะคิดได้ยาวๆสามารถที่จะสรุปเรื่องได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันพิจารณาทุกอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องพิจารณาทุกๆอารมณ์เพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูงสุดคือพระอรหันเนี่ยท่านไม่ติดในทุกอารมณ์เหมือนลมที่ไม่ เ, เหมือนตาข่ายเนี่ยดักลมไม่ได้ ท่าหันเนี่ยท่านผ่านการวิจัยมาทุกอารมณ์แล้วจนไม่ติดสักอารมณ์เดียวอ่ะนั่นแหะทำปริญญาสามมาเกือบทุกอารมณ์แล้วท่านจึงจะพ้นจากกองทุกเหล่านี้ได้อย่างภายนอกนี่สีอย่างเดียวที่จริงรายละเอียดเรื่องสีไม่มากนะแต่ภายในอ่ะวิถีจิตอ่ะที่เกิดขึ้นทางตาเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมแล้ววิถีแต่และ ว, วิถีเนี่ยได้รับการวิจัยทั้งหมดเลยนะถ้าวิจัยเฉพาะวิถีจิตอย่างเดียวก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนา แล้วถ้าเอาเจตสิกที่อยู่ในจิตนั้นนั้นมาวิจัยอีกนะเวทนาเจตสิกเป็นเวทนานุปัสนานะพิจารณาเรื่องเจตสิกนะที่เหลือเป็นธรรมานุปัสนานะสัญญาเจตสิกนะโลผูอ้อกุศลเจตสิกเป็นต้นมหากุศลเจตสิกเนี่ยกุศลเจตสิกเหล่านี้ก็เป็นอนนะไรธรรมานุปัสนาฉั้นสามารถที่อย่างอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะอย่างตาสีเนี่ย น, นี้หยาบอยู่แล้ว น, นี่เป็นอารมณ์หยาบหยาบเลยนะ ส่วนวิถีจิตนี่ก็นับมาละเอียดแล้วแลเจนสิกที่ประกอบกับวิถีจิตเหล่านั้นเองจนสา ม, มารถรู้เหตุรู้ปัจจัยว่าธรรมะแต่ละอย่างนี้เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาวิจัยโดยปจยัจจัยอัน้นคนที่ฟุ้งซ่านนั่งอยู่ตรงนี้คิดเป็นร้อยเรื่องเนี่ยผมจะไปทําได้ยังไงนะมันก็คงจะยากหน่อยเว้นไ ว, แ ว, ไวน้แต่ว่าบุญเก่าไว้เยอะไนมแต่ว่าของของอนมาไม่ได้ทําบุญไว้ขนาดนั้นหรอกสงสัยจะต้องหาประโยชน์ค่าสมบัติมากๆเพื่อที่จะ พิจารณาคำสอนเหล่านี้ได้